นะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ ah ุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิทโสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะคายัง อีทั้งดำหังอนุปัตโตอิทิมันตังนมามมีหังติโนโยวะเดดุคำหาตินังโลกานมุตตะโมติโสภูมิอติกันโตตินาโอคังนมามมีหัง ปิโยเดวามนุสานังพิโยพระมหานามตโมปิโยนาคสุปันนานังปิยินตรียังนมามิหังโสกาวิรัตชิตโตโยโสภมโนสเดวเกสกปฏเตปโมเดนโต สภาวันังนา ม, ามีหังภะจิตตาหาเยนสัตถม์มาภะคปาเปนตาดินาภยสัตเตปหาเสนโตพยสันตังนา ม, ามีหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงปราถนาพระสัพพยุตยานทรงปราถนาธรรม เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายพระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีความสําเร็จพระองค์นั้นด้วยเสียนเกล้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากวัฏทุกข์ทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลก ทรงร่วงพร้อมไตรภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ข้ามโอเคะได้แล้วพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์ดิราฉานมีนาคและครุฑเป็นต้น ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีอินทรีย์อิ่มแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงเกล้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกทั้งเทวโลกยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกกลับมาบันเทิงลื่นเลงอยู่ในศีลสมาธิปัญญา ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวีวันงดงามพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าบพระสัตว์ธรรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักกรานทำลายแล้วมีพระหัตไทยคงที่ทรงจําแนกแจกแจงแล้วพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายกลัวกลับมาร่าเริง บันเทิงอยู่ในศิขาสามข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์นั้นผู้มีภัยอันระงับแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญในธรรมจงมีแด่คณะครูโรงเรียนบรรจงรัฐทุกคนแล้วก็ญาติโยมทุกท่านเจริญพรสาธุสิ ก็ขอโวธนาในความตั้งกุศลและศรัทธาในการที่เราต้องการที่จะน้อมเข้าถึงพระรัตนตรัยนะกิจกรรมทั้งหมดนั้นก็ปรารถนาเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเข้าถึงพระรัตนตรัยให้ชัดเจนให้แข็งแรงให้มั่นคงถามว่ากิจกรรมที่เรากําลังศึกษากําลังประพฤติปฏิบัติกันณครั้งนี้เพื่ออะไรเนี่ย เพื่อให้ทราบซึ่งในคุณของพระรัตนตรัยให้ชัดรว่าคุณของพระรัตนตรัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญโครงการปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาไม่ใช่เป็นคนดีแบบที่สภาพสังคมโดยทั่วๆไปเขาเป็น แต่เราต้องการที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาถามว่าเป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาในหัวข้อไตรสิกขาคือวิชาของชีวิตคําว่าไตรเนี่ยนะไตรสิกขาก็คือสิกขาสามคำว่าสิกขาไม่ได้แปลมาหลายวันแล้วสิกขาก็แปลเป็นภาษาไทยว่าศึกษานะแปลว่าศึกษา ที่จริงศึกษาเองก็เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนะศึกษาเนี่ยเป็นมาจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเขาใช้คำว่าศึกษาศึกษาเข้าใจสันสกฤตเนี่ยมาจากคศึกศึกษาก็เป็นอศอะไรฮะศศลาสละอ กไก่แล้วก็มีจุดข้างล่างนั่นนะแล้วก็สอบอแล้วก็สระอาในศึกษาตัวนั้นแหละสามคำนี้มีความหมายเดียวกันนะศึกษาเป็นภาษาบาลีศึกษาก็คือภาษาไทยศึกขาศึกษานั่นเป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นศึกษาเป็นเป็นบาลีก็ศึกษาศึกษาก็เป็นสันสกฤตแล้วก็ศึกษาก็เป็นคําไทย นะก็แผงจากสันสกฤตนะสันสกฤตมาเอาสันสกฤตมาใช้เป็นศึกษาในบ้านเราเป็นภาษาไทยฉะนั้นศิกขาก็คือการศึกษาก็หมายถึงการเรียนรู้และการฝึกฝนพัฒนานะศิกขาเนี่ยการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนาพระพุทธศาสนาถือหลักศิกขาตามธรรมชาติของมนุษย์เหล่านี้แหละ ก็หมายความว่ามนุษย์เหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่จะต้องอะไรต้องฝึกก็คือฝึกได้ด้วยนะและชีวิตของมนุษย์จะเป็นอยู่ก็เป็นชีวิตที่ได้มาด้วยการเรียนรู้แล้วกัการพัฒนาไม่ใช่เป็นอยู่เพียงด้วยสัญชาตญาณมนุษย์ไม่ใช่อยู่ด้วยเพียงสัญชาตญาณ น, นะ มันมีการเรียนรู้เพียงนิดหน่อยเกิดมาไม่นานเท่าไหร่ก็หากินเป็นอยู่ได้แต่มันอยู่แค่สัญชาตญาณไปจนตายมันก็ไม่สามารถที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองได้อย่างกว้างใหญ่ไพศาลส่วนมนุษย์ได้บอกไปแล้วว่ามีสัญชาตญาณไม่พอเราจึงต้องอาศัยสัญชาตญาณได้น้อยอย่างยิ่งความรู้ที่เราจะใช้ในการเป็นอยู่และก็ดําเนินชีวิตนี่ยก็ต้องเรียนรู้เอาแล้วก็ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาใ ช, ใช่ไหมใช่ไหม เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องอาศัยผู้อื่นก่อนโตมาแล้วก็ศส่พ่อแม่อาศัยไหมอาศัยหรือไม่อาศัยเป็นเวลานา น, านเป็นเวลาหลายปีด้วยต้องอาศัยพ่อแม่เลี้ยงดูในระหว่างที่พ่อแม่เนะและผู้อื่นเลี้ยงดูอยู่นั้นตนเองก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างไหมเรียนรู้จากที่พ่อแม่สอนทุกอย่างไหมนั่นแหละเขาเรียกว่า ศึกษานั่นแหละเริ่มพัฒนาตนเองเนี่ยมนุษย์เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แหละทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าเออเนี่ยกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายเนี่ยตอนนี้เรามาศึกษาและพัฒนากันมาจนถึงระดับนี้แต่ตอนนี้เราต้องการที่จะทำตนเองให้เข้าถึงสถรนะเข้าถึงระรตะนาไตรเพื่อจะก้าวไปสู่จารีศีลวาลีศีล ก้าวไปสู่ในชั้นของทานกุศลนั่นแหละศีลกุศลแล้วก็พัฒนาสุภาวนากุศลการฝึกการปฏิบัติการบำเพ็ญความดีต่างๆต้องใช้ความเพียรพยายามเนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช้ใช่ใชหมต้องใช้ความเพียรพยายามเมื่อพบความยากลำบากถ้าจิตใจอ่อนแอบางทีก็เกิดความท้อถอยท้อไม่ท้อหรือท้อแท้ขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้น ประเด็นก็คือว่าทําไมเราจึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคําว่าทถาคตโพธิสัตถาที่สรุปประเด็นแล้วแเราๆเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยก็แปลว่าชาวพุทธเบื้องต้นต้องถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นสรณะก็คือเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กําจัดภัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเป็นคติเป็นทางดําเนินก็ว่าไปใช่ไหมเล่านั่นแหละคือต้องมีสระาพระพุทธเจ้าเนี่ย การที่เป็นอย่างนี้เพราะการที่เป็นที่พึ่งที่ ล, ลึกก็คือเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงตัวเองว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้เดิมทีพระองค์ก็เป็นมนุษย์สามัญธรรมดานี่แหละแต่บัดนี้พระองค์ได้บรรลุเป็นผ้าอาหารแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วเป็นผู้ตัสรุชอบได้โดยตนเองแล้วสอนให้ผูอื่นตัสรุด้วยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะแล้ว เป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกแล้วเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าแล้วเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยใช่ไหมล่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะให้ประชมในกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายหรือของประชาัตว์ทั้งหลายให้เดินตามรอยพระบรมศาสดาได้อย่างชัดแจ้งชัดจริงนี่ใช่ไม่ใช่เราคิดอย่างนี้ไหม ถ้าคิดลักษณะอย่างนี้แปลว่าอะไรเนี่ยพทะเจ้านั้นฝึกหัดพัฒนาตนเองได้เป็นบุคคลที่ประเสริฐเลยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันเราก็มีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะฝึกนี้อยู่เมื่อระลึกอย่างนี้เราจะเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ไหมเชื่อหรือไม่เชื่อ เมื่อเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วก็จะเกิดกำลังใจไหมคิดถึงพระุทธเจ้าแล้วเกิดกำลังใจไหมล่ะเกิดกำลังใจต่อจากนั้นก็จะเกิดการตระหนักในหน้าที่ของตอนว่าเราจะต้องตั้งใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเพราะชีวิตมนุษย์ที่จะอยู่ได้ดีหรือจเจริญงอกงามและประเสริฐได้นั้นจะต้องอะไรไม่มีทางได้มาเปล่าวๆ เ, เราจะต้องเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอย่างแน่นอนเราก็เลยตั้งใจสิกขา ศึกษานี่แหละใช่ไหมจึงมาจะคำว่าไตศึกษาคือวิชาของอะไรเออคือ ว, วิชาของชีวิตฟังยากไหมเนี่ยไม่ยากนะจับประเด็นตามไปลำดับเนะฟังให้ทันนะเดี๋ยวมาจะไม่ค่อยคอยใครแล้วก็ <c oughs> คือฝึกหัดพัฒนาไปนอกจากนั้นการการฝึกการปฏิบัติเนี่ย การบำเพ็ญความดีงามต่างๆ ต, ต้องใช้ความเพียรพยายามไหมใช้หรือไม่ใช่ต้องใช้ความเพียรพยายามถ้าพบกับความยากลำบากถ้าจิตใจอ่อนแอเนี่ยเป็นไงท้อถอยไหมท้อถอยท้ อ, ทอแท้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะนึกถึงใครถึงอย่างไอท้อแท้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาจนสําเร็จอย่างนี้ได้ด้วยความเพียรพยายามอย่างจริงจังอย่างแรงกล้าก็นึกอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้ามีความเข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยเราก็จะต้องมีความอะไรเข้มแข็งมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวท้อถอยไหมไม่ท้อถอยเช่นเดียวกับใครเช่นเดียวกับพระองค์เนี่ยตั้งใจยอย่างเงี้ยเมื่อนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดกำลังใจเดินหน้าต่อหรือถอยหลังเออเดินหน้าต่อไป การระลึกถึงพระพทเจ้าจึงทําให้เกิดกําลังใจที่จะก้าวขึ้นสูงขึ้นไหมทําให้ก้าวเพื่อต้องการจะสูงขึ้นจะดําเนินเข้าสู่ศึกขาสามในหัวข้อที่กําลังเข้ามาศึกษากันนี่แหละเนี่ยในเล่มนี้แหละทีนี้ต่อจากนั้นถ้าถามบ อ, อกว่าพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างไหมเป็นแบบอย่างว่าเป็นพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีมานั้นพระองค์เนี่ยต้องร้องผิดร้องถูกมานานไหม โอ้โห oh, ลองผิดลองถูกมานานนะถ้าเราดูเราจะเห็นเอาแค่ในชาติปัจจุบันเนี่ยทดลองผิดทดลองถูกทดลองผิดเยอะเลยอะ่ะหกปีอะ่ะเอาที่ปัจจุบันนะไม่ต้องนับเสียสงไขยหรือยี่สิบประสงขา ย, ยิ่งด้วยแสนหมหากัาบนะทดลองอย่างเนี้ยเพราะไม่มีใครเป็นต้นแบบพระเจ้าเนี่ยต้องต้อง ฝึกฝนพัฒนาตนเองอ่ะไม่มีใครเป็นต้นแบบไม่มีใครเป็นตัวอย่างให้พระองค์ต้องเรียนรู้ฝึกหัดด้วยพระองค์เองยากยิ่งนักกว่าจะสําเร็จยากไม่ยากยากมากเมื่อพระองค์ได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วก็เอาประสบการณ์ในทางที่ประพฤติปฏิบัติที่ถูกนั่นแหละมาถ่ายทอดให้กับพวกเราที่นั่งอยู่เนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยพวกเราได้แบบอย่างของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เท่ากับมีวิธีลัด ไม่ต้องไปร้องผิดและไม่ต้องไปร้องถูกทำจริงๆเลยทำสิ่งที่ถูกตามแบบฉบับที่พุทธญจ้าตรัสไว้หรือบอกไว้ถามว่าง่ายขึ้นอีกหลายร้อยหลายล้านเท่าไหมเนี่ยทำไมไม่ทำใช่ไหมลราเออเรามีแบบฉบับขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่เห็นจาเป็นต้องไปขอไฟดึงพลังหยาบคายเลยใช่ไหมไม่เห็นต้องไปดึงเลยดึงทาไมเนี่ยใช่ไม่ใช่ หรือว่ายังไงหรืรอมันยังมีวิธีอื่นอีกต้องไปดึงไหมไม่ต้องดึงดึงมาแล้วก็มานั่งง่วงๆกันยู่เดียวก็ไม่เห็นหายง่วงได้จริงเลยไหนเมื่อกี้ใครดึงพลังจากควาบ้างโวแล้วเป็นไงทำให้ลองรับคำสอนของพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นไหม พอดึงพลังแบบนี้แล้วเบยเสร็จโอต่อไปตั้งใจฟังพระธรรมอย่างไม่ง่วงเลยเป็นไปได้ไหมมันก็ต้องมาตั้งใจจะจ่อตั้งมัน่นที่จริงมันง่วงหรือไม่ง่วงมันอยู่ที่กายหรือใจกันเน่ตอนนี้กายเราทำจนแข็งแรงขนาดนี้แล้วมันอยู่ที่ใจพร้อมที่จะรับไหมเลยพร้อมไหมพร้อมไหมกี่เปอร์เซ็นต์ฮะร้อยอเลยเลย โอ้น่าชื่นใจไหนใครร้อยเอร์เซ็นยมือสิโอ้ชื่นใจยังมีแค่นี้เองร้อยเปอร์เซ็นอกนั้นเหลือกี่เปอร์เซ็นฮเก้าสิบเอร์เซ็นมีไหมแปดสิบเอาแค่แปดสิบเองเลยยี่สิบไว้ทําอะไรฮะยี่สิบไว้ทําอะไรว่าเวลาถ้าเราไปเราเชื่อไหมว่าทํากรรมเช่นใดย่อมจะได้เช่นนั้น เช่ใช่ไหมแล้วเป็นปัจจุบันกรรมเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนะฉะนั้นถ้าเรารับแปดสิบเปอร์เซ็ตเราไปสอนลูกศิษย์มันจะลดลงอีกนะลูกศิษย์จะรับเราเพียงแค่ห้าสิบปอร์เซ็นตะกรรมนี่มันตามเร็วนะก็ขนาดเราอยู่ต่อหน้าพระยังรับแค่แปดสิบเปอร์เซนตอย่างไรล่ะถ้าลองดูคารวะไปสอนคารวะมันจะลดลงอีกเยอะเลยเนยะงั้นสรุปแล้วจะรับเท่าไหร่ดีเนี่ยเออเอาร้อยเปอร์เซนตเวลาจะได้เป็นกุศ ล, ลกรรมใช่ไหมเวลาไปสอนใครหูตั้งใจตาแป๋วเลยะ พูดบางทีพูดระลับตื่นตื่นคนยังตั้งใจฟังเลยนะไอ้กรรมดีทําได้กุศลเนี่ยใช่ไหมล่ะเนี่ยเออเนี่ยมันจะเป็นปัจจุบันกรรมนะปัจจุบันกรรมที่เราทําก็จะให้ผลในปัจจุบันนี้แหละเรียกทิฏฐะเนี่ยมันทันตาเห็นเลยได้เห็นเดี๋ยวนี้เได้เห็นวันนี้ได้เห็นพรุ่งนี้ได้เห็นปารลืนนี้เงี้ยหรือได้เห็นชาตินี้เลยเงี้ยเนี่ยได้เห็นในปัจจุบันในพบนี่เลยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยตอนนี้เรากําลังทํากรรมที่เป็นปัจจุบันกรรมอยู่เี่เนี่ย นั่งเนี่ยถ้าเราประเภทที่หงอยหงอยเงาเงาเศร้าเศ้าซึมซึมเนี่ยกรรมนี้ก็ยังให้ผลเราเหมือนกันเวลาเราไปคุยอะไรกับใครเขาอย่าพูดมากร่ำคานเหลือเกินเนี่ยไอ้กรรมนี่จะตามให้ผลเราเนะ่ก็จะทําให้คนฟังหงอยหงอยเงาเงาเศร้าๆ้าซึมๆึมบางคนลําบากมากนะเวลาไปพูดอะไรต้องคอยสกีดให้ฟังหน่อยนะฟังหน่อยนะพวกก็ไม่ค่อยอยากฟังเคยเป็นไหมล่ะจะพูดอะไรแต่ละทีก็ต้องคอยดึงเขาให้เขาฟังอยู่นั่นแหละเพราะตอนที่ตนเองทํากรรมเนี่ยไปกระทําที่ไม่เหมาะ จะฟังคนอื่นก็ฟังไม่เป็นเบื่อนายมากแต่เวลาไปพูดอยากจะให้คนอื่นฟังเคยเป็นไหมล่ะอย่าไปทํากรรมแบบนี้เนี่ยมันให้ผลในปัจจุบันเนี่ยมันทันตาเห็นอ้าวแต่นี้ตั้งหลักได้แล้วนะตอนนี้เราจะเริ่มพัฒนาเนี่ยเรามีพระเจ้าเป็นแบบฉบับพระธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีมาพระองค์ก็ลองดังที่กล่าวไว้แล้วลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยที่สุดจริงๆเนี่ยนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้าไม่มีใครเป็นต้นแบบ อาจจะมีอย่างยาวไกลที่ฝังไว้ในอัธยาศัยแต่จริงๆไม่มีแบบฉบับให้เห็นให้ดูเลยไม่มีแบบฉบับอย่างนั้นเลยนะครัพุทธเจ้าเนี่ยต้องลองลองผิดลองถูกต้องบำเพ็ญบารมีค่อนข้างอย่างมากเลยจึงจะสามารถที่จะมาวิจัยฉผิดถูกเป็นต้นได้อย่างเราเนี่ยถ้าไม่มีแบบฉบับเนี้ยให้เดินไปคิดเองเนี่ยไม่มีทางเลยเราโดยมากเราก็จับแบบคนอื่นมาทํากันทั้งนั้นแหละเราไม่มีปัญญาเพียงพอในการที่จะคิดค้นเองโดยไม่ต้องเอาแบบฉบับของคนอื่นมาคิดเนะ เนี่ยพวกเรามันไม่ใช่มีการบำเพ็ญบารมีทะลุทะลวงจนสามารถคิดเองได้เนี่ยนะทีนี้เราเนี่ยได้รับการถ่ายทอดแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามพวกเราก็ได้ตัวอย่างจากพระองค์ก็เท่ากับมีวิธีรัดก็ปฏิบัติได้ทันทีไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอย่างพระพุทธเจ้าทีนี้การปฏิบัติที่เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะก็คือการถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง เป็นสาธารณะเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องกำจัดภยัยเป็นคติเป็นทางดําเนินของชีวิตสรุปก็คือหนึ่งนะทัศน ร, ระเพณ์นะทำให้เราเกิดความมั่นใจในความเป็นสัตว์ที่ฝึกตนเองได้นี่นะข้อแรกนะมั่นใจไม่มั่นใจว่าฝึกได้เพราะเราเห็นตัวอย่างมาแล้วพระเจ้าฝึกได้สาวกพระเจ้าฝึกได้จริงๆเป็นภาริยาได้จริงๆเป็นพระเจ้าได้จริงๆด้วยนี่แบบเคเบิที่หนึ่งสอง ทำให้เกิดสํานึกในหน้าที่ที่จะต้องฝึกพัฒนาตนเองจริงจังใช่ไหมลองพอเราคิดถึงพุทธคุณพุทธรัตนะอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วเนี่ยว่าเออเนี่ยเราจะต้องฝึกแล้วสามเกิดกําลังใจในการปฏิบัติเช่นนั้นเราก็เกิดกําลังใจแล้วไม่ท้อเวลาเจออุปสรรคก็ไม่ท้อถามว่าต่อไปถ้าเจออุปสรรคเราจะคิดถึงใครเออคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับที่ดีที่สุด ยามใดคุณเหงายามใดคุณท้อแท้เบื่อนายภาษาปัจจุบันก็ว่าเซ็งหรือเบื่อเนี่ยเวลานั้นให้คิดถึงพระพุทธเจ้าก็ท่องไว้เป็นวลีประโยคประจำใจเราเลยว่าถ้าเบื่อเมื่อไรท้อเมื่อไรหงุดหงิดฟุ้งซ่านเมื่อไหรเวลานั้นให้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้คิดถึงแบบมีหลักการนไม่ใช่คิดถึงลอยๆนะ และได้พระองค์เป็นแบบอย่างพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติที่พระองค์ทรงประทานไว้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าได้วิพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างแต่ไม่ได้วิธีการวิธีการก็คือได้สิกขาสามที่พระองค์ประทานไว้นี่แหละให้เป็นหัวข้อว่าตไตรศิกขาคือวิชาของชีวิตเนี่ยก็ เ, เรียกได้วิธีการแบบอย่างในการที่เราจะปฏิบัติตาม ทีนี้การที่จะฝึกฝนปฏิบัติตามพุทธเจ้านั้นเราต้องรู้ด้วยว่าการที่พระุทธเจ้าสําเร็จพระพุเจ้าด้วยการเข้าถึงอะไรเข้าถึงความจริงที่เรียกว่าอริยสัจพระุทธเจ้าตรัตสรู้อริยสัจเนี่ยตรัตสรู้ความจริงเนี่ยความจริงที่เป็นธรรมะที่เป็นอริยสัจเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไปตามธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมล่ะ เราก็จะต้องรู้เข้าใจความจริงนั้นจริงจะพัฒนาตนเองได้เพราะความที่คนที่จะพัฒนาตนเองได้สําเร็จได้ก็ต้องปฏิบัติตามความจริงที่พระเจ้าบอกไว้เช่นพระเจ้าบอกเรื่องทานกุศลเรื่องศีลกุศลเรื่องภาวนากุศลเรื่องไตรสิกขาเนี่ยเป็นความจริงเนะในการที่จะพัฒนากระแสชีวิตอันนี้แปลว่าแบบฉบับที่พระองค์วางหลักไว้หรือหลักการที่พระเจ้าวางหลักไว้ชีวิตของเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่ง ก็ว่าเราจะต้องให้ชีวิตของเราดีงามขึ้นไปเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของความจริงหรือตามหลักของเหตุผลที่เรียกว่าหลักของอริยสัจเมื่อเราทําเหตุปัจจัยที่ดีผลที่ดีก็จะเกิดตามมาใช่ไหมถ้าเราทําเหตุปัจจัยที่ไม่ดีผลที่ไม่ดีก็จะตามมาพระเจ้าก็วางหลักเติตและผลเหตุปัจจัยก็ไว้ วางแบบฉบับให้เราเดินตามปฏิบัติตามวัฒถ้าทำอย่างนี้นะสร้างเหตุอย่างนี้นะจะได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นต่อไปก็จะไปเรียนรู้กระ บ, บวนการเรื่องเหตุและผลคือเวลาเร า, เร า, เราศึกษาเรื่องศีลเป็นต้นเหล่านี้นะเรื่องทานกุศลเรื่องศีลกุศลเนี่ยผู้เจ้าบอกเหตุผลในการที่จะเป็นแบบเป็นเส้นบรรทัดในการที่จะทําให้เราเดินเดินตามแล้วเราจะได้อาศัยหลักของความจริงที่เรียกว่าธรรมะนี่แหละ ผู้ใดเข้าถึงความจริงอย่างแท้จริงมีปัญญารู้แจ้งก็จะปฏิบัติได้ถูกเรียกว่าเป็นอยู่ชอบชีวิตก็เต็มเปี่ยมแล้วก็จักบริบูรณ์เขาเรียกการฝึกฝนการพัฒนาตนเองเนี่ยนะเมื่อเราเอาธรรมะมาเป็นหลักชีวิตใช่ไหมล่ะพทธเจ้าตรัสรู้ความจริงแล้วก็หลักความจริงพทธเจ้าวางเป็นแบบฉบับไว้นั่นแหละเอาพุทธโอวาสนั่นแหละธรรมะนั่นแหละที่เป็นพระธรรมเป็นความจริงนั่นแหละ เอามาเป็นหลักของชีวิตเป็นเครื่องนําทางชีวิตพอเอาธรรมะมาเป็นหลักเป็นคติเป็นเครื่องดําเนินเป็นเครื่องนําทางของชีวิตธรรมะจึงมากลายเป็นสารณะไหมเป็นไม่เป็นธรรมะก็มาเป็นกลายเป็นสารณะเช่นเราปฏิบัติตามทานนกุศลได้ถูกต้องเป็นธรรมะไหมเจตนาการให้ทานเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยเป็นธรรมะหรือไม่เป็นนั่นแหละเป็นสารณะเป็นคติเป็นเครื่องเป็นทางดําเนินของเรา อเจตนาศีลที่เกี่ยวกันในเรื่องของการปฏิบัติไหวคิดที่ถูกต้องที่กล่าวไปแล้วเมื่อวานนี้ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ได้ถูกต้องปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ได้ถูกต้องปฏิบัติต่อเพื่อนได้ถูกต้องปฏิบัติต่อบุตรภรรยาสามีได้ถูกต้องญาติมิได้ถูกต้องการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องได้ถูกต้องการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ได้ถูกต้องตอนนั้นเราเราปฏิบัติตามอะไรพุทธโอวาจก็คือธรรมะ ธรรมะเหล่านั้นเมื่อเราปฏิบัติตามชีวิตของเราก็เลยมีอะไรมีที่พึ่งมีสาสนะก็มีพระธรรมนี่นแหละเป็นคติเป็นทางดำเนินแล้วก็เดินไปตามทางนั้นอันนี้ในขณะที่เราเดินไปตามทางนั้นอย่างถูกต้องอย่างนั้นกระแสชีวิตเริ่มพัฒนาหรือยังเริ่มพัฒนาแล้วนี่ไงพุทธโอวาทเนี่ยหลักไตรสิกขานี่แหละเป็นวิชาของชีวิต เนี่ยในขณะนี้เราเดินตามทานกุศลศีลกุศลอั น, นเดียวกันเนี่ยกระแสะชีวิตของเราก็ไม่ออกนอกทางของพระธรรมหรือความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพรากระแสะชีวิตของเราไม่ออกนอกทาง ความจริงที่พระเจ้าทรงตัดสรู้อย่างนี้เขาเรียกเรากําลังสร้างเหตุปัจจัยหรือกําลังพัฒนาตนเองเพื่อจะเดินเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องที่ดีงามที่ประเสริฐที่เลิศที่เป็นอิสระเป็นเสรีภาพจากราคะโทสะโมหะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทาตของกิเลสอีกต่อไปเพราะจะมองเห็นว่าตอนนี้พระธรรมเป็นอะไรเป็นสาสนาเป็นที่พึ่ง เมื่อเอาธรรมะมาเป็นหลักของชีวิตและเป็นเครื่องดําเนินทางชีวิตธรรมะก็เป็นสารณะคือเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกที่สองของเราคือเป็นหลักและเป็นเครื่องนําทางในการฝึกพัฒนาในการเป็นอยู่และในการดําเนินชีวิตของเราใช่ไหมล่ะทีนี้การดําเนินชีวิตนั้นผู้ใดเอาธรรมะ ก, ก็คือหลักการของทานกุศลศีลกุศลหรือศีลสมาธิปัญญานี่แหละก็คือหลักความจริงในธรรมชาติเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ได้ผู้นั้นก็สามารถจะ ดำเนินชีวิตตัวเองอย่างดีทีนี้เครื่องมือของเราที่จะเอาธรรมะมาใช้ประยุกได้เนี้ยก็คือปัญญานี่ถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะเอาธรรมะมาเข้ามาประชมุมในกระแสชีวิตเราได้ไหมเห็นไหมต้องเอาตัวสมมาที่จิตเอาตัวปัญญานี่แหละเอาความรู้ความเข้าใจนี่แหละทีนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ฟังข้อมูลใช่ไหมตอนนี้เรากําลังฟังข้อมูลไหมเนียนี่แหละการฟังการรับฟังข้อมูลนี่แหละ เป็นเครื่องมือที่จะเอาธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้นั้นปัญญาที่รู้ความจริงแต่ถ้าเรายังไม่รู้ความจริงโดยสมบูรณ์เราก็เอาธรรมะมาใช้ไม่ได้เต็มที่หรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพัฒนาตนเองด้วยศกขาสามด้วยศกขาก็คือฝึกศึกษาเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้ปัญญารู้ความรู้นั้น ทีนี้พระบุทรเจ้าเป็นพระเจ้าได้ก็เพราะสร้างปัญญามาจนถึงความจริงของธรรมของธรรมะนั่นเองและเราเองก็มีปัญญาที่จะพัฒนาให้สามารถเข้าถึงความจริงได้เพราะฉะนั้นเราจรึงเอาธรรมะมาเป็นหลักและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาก็เริ่มต้นแต่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุตามปัจจัยของมันเยอแต่นี้เราก็มาศึกษาเออประการต่อมาก็คือว่า เราจะพัฒนาตนเองไปเพื่ออะไรรู้ไหมพัฒนาไปทําไมเนี่ยหลักศิษไตรศิขาคือวิชาของชีวิตเนี่ยทําไมเราต้องเดินตามไตรศิกขาไตรศิกขานี้เป็นพุทธทงังเป็นพุทธะหรือเป็นธรรมะหรือเป็นสังฆะไตรศิขานี้เป็นอะไรไตรศิขาเป็นธรรมะนัไตรศิขาจึงเป็นสาสนาไหม เป็นสารณะเป็นคติเป็นทางดําเนินฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาไตรสิกขามาประชุมไว้ในกระแสชีวิตให้ไตรสิกขานั้นเป็นเครื่องดําเนินชีวิตเราเดินไปตามไตรสิกขาได้อย่างชัดเจนคนคนั้นเขาเรียกวคนมีสารณะแต่ในขณะที่เราเดินไปตามไตรสิกขาเนี่ยเราก็รู้ในะใครเป็นคนประทานรูปแบบให้เราพระพุทธเจ้าไงเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นแบบฉ บ, บับเป็นแบบอย่าง แล้วก็มีคําสอนที่พระเจ้าวางหลักเป็นแบบฉบับเป็นแบบอย่างไว้นะให้เราเดินเราเดินไปเพื่อจะอะไรเนี่ยเพื่อให้เป็นอะไรเนี่ยเดินไปเพื่ออะไรเนี่ยเดินไปเพื่ออะไรเพราะเราเห็นแบบฉบับเราเห็นสังคมของสังฆะอยู่ไงใช่ไหมของพระริยะทั้งหลายเหล่านี้ยตรงนี้ก็คือว่าคนผู้ที่ประเสริฐเนี่ย ที่จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกเนี่ยก็ย่อมบรรลุผลสําเร็จในระดับต่างๆทีนี้แต่จะมาประกอบเข้ากับเป็นชุมชนหรือเป็นสังคมที่ดีงามสังคมของมนุษย์จะดีงามก็ต้องประกอบด้วยมนุษย์ที่ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตนเองถามว่าวันเนี่ยถ้าถามว่าสภาพสังคมมนุษย์เนี่ยเป็นสังคมที่ดีงามและเป็นสังคมที่ฝึกตนเอง ได้หรื อ, อยังได้หรื อ, อยังอา้าทีนี้ถ้าไม่ฝึกฝนก็จะเป็นชุมชนของคนที่มีกิเลสหนาเป็นคนที่กายก็ไม่สะอาดวาจาก็ไม่สะอาดใจก็ไม่สะอาดก็เลยกลายเป็นสังคมที่มีกิเลสหนาสังคมจะเต็มไปด้วยการเบียดเบียนไหมแล้วก็ชิงชังเดือดร้อนกันมาก พระรัชกาจึงมาสอนให้พัฒนาให้เราทุกคนพัฒนาตนเองเมื่อเรามีคุณธรรมดีขึ้นมาก็จะเป็นส่วนร่วมสร้างสารรค์สังคมที่ดีงามให้สังคมชุมชนนั้นดีขึ้นทีนี้การจะเป็นส่วนร่วมสร้างสารรค์สังคมดีงามหรือสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยนะซึ่งประกอบไปด้วยคนผู้ประเสริฐได้คุณธรรมดา น, นี่นะความดีที่ได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชุมชนที่กลุ่มว่า สังฆะชุมชนที่ประเสริฐเนี่ยเขาเรียกชุมชนของอริยะเออในสมัยครั้งพุทธกาลนี่นี่นยชมชนสมัยพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นเป็นชุมชนของอริยชนนะอาริยชนไม่ใช่อนาริยะเราทุกคนมีสิทธิและมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถฝึกฝนพัฒนาให้ร่วมสร้างสรรค์ก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้ ทีนี้ให้สังเกตดูเนี่ยพระเนี่ยอย่างท่านมหาอุณาหรือพระหรือเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่านี่ชุมชนสังฆานเนี่ยแต่นี่เขาเรียกสมมติสงนี่สมมติสงอันนี้สงโดยสมมุติแต่กําลังจะพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ความเป็นอะไรเป็นอริยสงก็ เ, เรียกว่ากําลังจะเนี่ยกลังจะ ตรงนี้ก็คือว่ามาพูดถึงตรงนี้ก็คือก็ได้ความหมายแล้วว่าอ๋อสงมีสองประเภทใช่ไหมสมมุติสง์และอริยสง์สรุปแล้วก็คือสรณะเรามีสามใช่ไหมพุทธะธรรมะและก็สังฆะพุทธะธรรมะสังฆะเนี่ย พ, พระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์หลักทั้งสาประการนี้แหละเป็นหัวข้อสําคัญที่จะต้องรู้ก่อนและเข้าใจหลักสาประการนี้คือรัตนไตรนี่แหละที่ได้พูด แล้วก็จะต้องได้สิ่งที่ยึดถือเป็นหลักในการดําเนินชีวิตในการที่จะฝึกฝนอบรมพัฒนาต่อไปผู้ที่เป็นบริษัทพุทธบริษัทของพทะเจ้าเนี่ยก็จะต้องเข้าถึงพระัตนาไตรยพร้อมทั้งยึดถือหลักพระัตนาไตรยเป็ น, นแนวทางในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปการถือพระัตนาตราเป็นหลักในการฝึกพัฒนาตนเองเนี่ยเรียกว่า ไตราสารณาคมเขาแปลว่าการถึงสารณายึดเอาพระรัตน า, ตาเป็นสารณะเนี่ยยึดเอารัตนาไตรเป็นสารณะเนี่ยเมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเมื่อได้หลักการนี้แล้วต่อแต่นั้นก็จะเข้าสู่เนี่ยสิกขาเนี่ยหรือไตรสิกขาแปลว่าถ้าเราไม่มั่นคงถ้าเรายังเข้าถึงสารณาคมไม่ได้เราจะพร้อมที่จะเข้าสู่ไตรสิกขาไหมไม่พร้อมนะ การที่จะเข้าสู่ไตรสิกขาซึ่งจะถือว่าเป็นเอามาเป็นหลักวิชาของชีวิตเนี่ยก็ต้องเข้าถึงสาระทั้งสามยึดเอารัตนไตรามาเป็นสาระเป็นคติเป็นทางดำเนินเมื่อได้หลักการนี้แล้วต่อจากนั้นก็เข้าสู่สิกขาก็คือพระพิจ้าก็สอนข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนาในด้านพฤติกรรมหรือฝึกฝนอบรมกายวาจาและก็จิตใจของตนเองเนี่ยนะ ในการที่จะเข้าสู่คำสอนของพระพุทธเจ้านี่เออถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นชัดเนาะจะเห็นว่าธรรมดาเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นว่าโอ้พระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเป็นสิ่งที่ประเสริฐเรายังมีกิเลสหนาอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยหลักยึดคือที่พึ่งให้ชัด แล้วก็มีแบบฉบับคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเอาลักตอนนี้ในหลักการเมื่อเรามองเหตุและผลตรงนี้ได้พอสมควรเนี่ยหลักการต่อไปคืออะไรเออเมื่อเมื่อวานพูดในเรื่องของทิศ ท, ทั้งหกทิศ ท, ทั้งหกเนี่ยอยู่ในหมวดอะไร หมวดทานหรือหมวดศีลหมวดทานหรือหมวดศีลศีลหรือทานจารีตใช่ไหมในนั้นมีทานอยู่ด้วยไหมมีไม่มีไปอ่านจบหรื อ, อยังหนังสือเล่มนี้อ่านจบหรื อ, อยังใครยังไม่ได้อ่านยกมือโอ้เยอะเลยยังไม่ได้อ่านเลยเข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นเข้าใจใช่แค่อ่านแล้วเอออาจจะมีขัดตกบกพร่องนะก็ต้องโทษนั่นแหละโทษในรถกับใครเดียวก็ตรงนี้อะดูดูหลักของเวลาที่เหลือต้องต้องต้องเร่งนิดหน่อยเออเอางี้เออในหลักของศีลนะ ในหลักของศีลนะท่านเชื่อมโยงในเรื่องของทานกนุศลไว้ด้วยเอาไปดูไปดูในในหน้าที่ห0สจริงจริงไปจากหน้าที่หน้าที่ห้า้แล้วนะเริ่มจากหน้าที่ห9า้อตรงหมวดที่หนึ่งที่ว่าต้องไอการเป็นอยู่การใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ย ก็คือได้แก่ปานาติบาตธินนาธานการเมศสุมิชาจารย์และมุสาวาต่พูดไปแล้วหลักตรงนี้นะเขาเรียกกรร ม, มะกิเลสเครื่องเศร้าหมองของกระแสชีวิตอันนี้แปลว่านี่ังไงพุทธโอวาสเนี่ยตัวสิกขาตัวสิก ข, ขาก็คือวิชาที่เราจะสามารถนำกระแสชีวิตของเราเดินเข้าไปสู่อันนี้เขาเรียกว่าก่อนที่เตรียมตัวที่จะเข้าไปไหว้ทิศ อยู่ตรงนี้แหละการที่จะไปปฏิบัติต่อทิศให้ถูกต้องที่พูดถึงในเรื่องของสิงคาและกะมานบสิงคาและกะมาโนบเนี่ยท่านไปไหว้ทิศด้วยการไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดแล้วผมก็เปียกตัวก็เปียกแล้วก็ไปทำการไหว้ทิศเหนือทิศใต้จนออกตะวันตกแล้วก็ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำอยู่พระเจ้าไปเห็นก็ไปถามว่าเธอทาอะไรเนี่ย มานอกก็บอกไหว้าาทิศ ต, ตามพ่อแม่ที่ใกล้าตายสอนไว้พ่อพ่อใกล้าตายสอนไว้พระเจ้าบอกเออการไหว้ทิศของเธอเป็นอย่างนี้เลยในอาริยวินยัยในอาริยชนของเราเนี่ยก็มีการไหว้ทิศเหมือนกันนะมานอกก็ถามว่าเออทํำยังไงก็เห็นแม่หมวดในหมวดหนึ่งนี่แหละในหน้าที่ห้าสิบแปดตรงข้างล่างนี่แหละเห็นใช่ไหมนี่ประกอบให้ดูจะได้อธิบายเห็นชัด ม, มุมเห็นมุมชัด พระเจ้าบอก ว, ว่าเออแต่การเตรียมตัวข้างเราไม่ต้องไปเตรียมตัวข้างนอกแต่เตรียมตัวข้างในคือหนึ่งเธออย่าฆ่าสัตว์สิเออเว้นจากการฆ่าสัตว์เสียจะได้สะอาดเว้นจากการลักทรัพย์จะได้สะอาดเว้นจากการประพฤตผิดในการมจะได้สะอาดและก็เว้นจากการพูดเท็จเป็นต้นจะได้สะอาดอันในข้อนี้ที่บอกไว้แล้วไม่มีสุราอยู่ด้วยเพราะสิสุรานั้นไม่ใช่เป็นกรรมบทอันนั้นเป็นตัวศิกขาบทนะเป็นตัวศิกขาบทแต่อยู่ในวารีศีลเดี๋ยวเราก็ตามไปเจอกัน อันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวที่จะเข้าไปสู่การปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมหรือปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องเข้าใจใช่ไหมอ่าหมวดที่2ยังไม่พอถ้าจะเตรียมตัวไปปฏิบัติต่อสังคมไม่ถูกต้องเนี่ยจะต้องปฏิสัมพันธ์บุคคลรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือที่ทํางานและสังคมภายนอกทีนี้ก็เว้นจากคติถ้าจะเตรียมตัวจริงๆต้องเว้นจากฉันทาคติลำเอียงพอรักนะ เพราะถ้า ง, งั้นเดียวก็เป็นผู้ใหญ่ได้ไม่บริบูรณ์อีกเป็นคนไม่ใช่เป็นคนต้นแบบไม่ใช่มาตรฐานของชาวพุทธที่ถูกต้องเพราะไป็นาเอียงไงเข้าใจใช่ไหมเราตรงเนี้ไม่ลาเอียงพอรักโทสาคติไม่ลาเอียงเพราะชังหรือโกรธอันเดียวกันแล้วก็โมหะคติไม่ลาเอียงเพราะเขาเขาก็งโง่เนี่ยเดียวกันไม่ยอมเขางโง่ไม่รู้งมงายอันเดียวกันไหมเอออันเดียวกันนั่นแหละนะนั้นถ้าใครบอกว่า โอโง่จังก็อย่าไปโกรธเขาก็คือเขานี่แหละใช่ไหมเขานี่ใช่เราไหม <Okay. S 1> เออก็ยัชั่วไปหายใจคล่องไปนิดนึงถ้าบอกถ้าบอกโง่คือเราเขาก็คือเราไม่รู้เรื่องก็คือเราฟังฟังมาตั้งหลายวันถามก็ตอบไม่ได้ก็คือเราอย่างนี้อย่นันนี้ข้อข้อไหนข้อข้อเขาไม่ใช่เรานะเออก็เขาแต่เขาตัวนี้มันไม่ใช่เขายัางไงเนี่ย โง่เขานะโง่เขาตรงนี้นะมาคันธิยาพามเนี่ยพอฟังคำสอนพทธเจ้าเนี่ยรู้ตนเองนะว่าตนเองเป็นคนเขาเป็นคนบอดเนี่ยก็ไปถามพทธเจ้าบอกว่าโอ้โหทำยังไงในตนเองจะหายจากความเขาได้พุทธเจ้าก็บอกเออคบคบพระพุทธเจ้าสิคบสาวกของพุทธเจ้าสิที่ฉลาดในคาสอนสิสองก็ฟังทำสามก็ตั้งโยนิสมในการ สก็ปฏิบัติทําให้ถูกหลักก็จะหายจาความขา่าความไม่รู้ได้เออเราก็ตั้งหลักให้ถูกใช่ไหมอภิการต่อมาคือพยาคติลำเบียงเพราะกลัวนี้อธิบายไปหลายครั้งแล้วแค่นี้พอไหมถ้าจะเตรียมตัวในการที่จะไปปฏิบัติต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมไม่ถูกต้องไม่พอหมวดที่สามตามมาอีกก็คืออย่าไปติดสุราอย่าไปติดของวินเมาทุกชนิดประการต่อมาก็อย่าติดเที่ยวกลางคืนอย่าติดเที่ยวกลางคืนหรือเที่ยวกลางวันด้วยอันเดียวกันนั่นแหละ แต่หลักการบอกว่กากลางคืนแต่กลางวันก็ห้ามเที่ยวการเที่ยวก็คือพวกพวกอะไรเนี่ยการเที่ยวเนี่ยพวกนี้ติดบันเทิงนันเองแล้วก็เที่ยวดูการละเล่นเช่นดูหนังดูหนังใช่ไหมล่ะก็ใครชอบดูภาพยนตร์ใครชอบเที่ยวดูคอนเสิร์ตดูภาพยนตร์ดนตรีเอ๊ขอถามหน่อยนั่งนั่งอยู่นี่ใครชอบดูลิเกไหมเนี่ยชอบไหมเอาใครชอบดูลิเกยกมือที เดี๋ยวเล่าความจริงให้ฟังชอบใช่ไหมอ๋อแม่ชอบกลับไปบอกแม่หน่อยนะบอกว่าแม่ทําไมไปดูลิเกถ้าบอกว่าแม่ว่าคนจริงๆเดินแบบลิเกแม่ว่าเอามาเดินบ้างแถวบ้านเรานะให้เดินแบบลิเกเดินเนี่ยถามว่าคนคนนั้นเน่ะเรายังอยากจะคบไหมใช่ไหม คนเดินแบบที่เกย์นี่คนเขาว่าเดินสวยจริงๆไม่สวยนะอา้าลองให้ชีวิตเขาเดินอย่างนั้นจริงๆเดินแบบแบกขาออกแล้วก็เดินแบบเนี้จะเป็นคนเดินน่าเกียดทันทีใช่ไหมลองถ้าในชีวิตจริงไปเดินอย่างนั้นแล้วบอกแม่ทําไมแม่ไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวบางทีโต๊ะมีมีโต๊ะมีเตียงตั้งอยู่อันเดียวมันออกมาบอกตรงนี้เป็นเมืองแม่ก็เห็นเป็นเมือง ใช่ไหมล่ะบอกว่ า, าบัดนี้จะเที่ยวดมเที่ยวดงทเที่ยวป่าก็เห็นเป็นป่าไว้อีกไอ้ที้ตรงนั้นแหละวนอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมล่ะโกหกเองจริงมี่มโนช็อปเนี่ยคือดูการละเล่นแล้วก็ติดการพ น, น, านันแล้วก็ครบครบในที่จริงก็คือครบเพื่อนชั่วใ น, นตรงนี้นะ ไปเขียนเป็นติดคบเพื่อนเชื่ออันเดียวกันนะเลกียดติค้านทำการงานหกประการนี้แหละทีนี้ต่อมาก็ขึ้นอีกก็คือมิตรเทียมเป็นยังไงคนปลอกลอกคนดีแต่พูดคนหัวประจบนี่กเกี่ยวกับรายละเอียดมิตรแท้ก็พมิตรอุปการละนี่แปลว่าแยกรู้จักรวบรวมนะเก็บสำซับเอ๋ยเหมือนพึ่งอะไรต่างในรายละเอียดตรงนี้ก็คือเกียเก่ยวกัรงเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยซั์ ประการต่อมาเมื่อเข้าหลักการตรงนี้เบเสร็จปุ๊บเนี่ยแปลว่าหนึ่งมีความตเตรียมพร้อมในการที่จะไหว้ทิศหรือปฏิบัติต่อทิศได้ถูกต้องทีนี้ในการปฏิบัติต่อทิศเนี่ยในรายละเอียดนี้เราไปดูเองนะในหัวข้อที่ได้ได้ว่าไปตามลําดับก็ได้กล่าวบอกไปเกี่ยวในเรื่องการปฏิบัติเลือกครบคนให้ถูกต้องก็ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว เมื่อเลือกคบคนให้ถูกต้องก็คือว่ากลุ่มบุคคลที่ไม่เอางานเอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็แยกแยะรายละเอียดกลุ่มก็ติดสุรายาเมาทั้งหลายดังได้กล่าวไปแล้วการครบคนชั่วเอวยนักเลงสุราคนเกียรติค้านทําการงานเนี่ยฉะนั้นการที่มานพไปอาบน้ําชําระร่างกายเนี่ยเขาก็ได้ความสะอาดแต่ภายนอกแต่ถ้าใครชําระความชั่ว14บสอย่างก็จะทําให้ชีวิตสะอาด บริสุทธิ์และชีวิตก็สะอาดพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับสังคมแล้วก็ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกได้ด้วยความสวัสดีทีนี้ท่านที่สองก็เตรียมตัวและเลือกคบคนในตอนเว้นเอาใายามุกแล้วเบีดเสร็จคบคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็คบกลุ่มพวกมิตรแท้ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แล้วประการต่อมาในหลักนี้บอกว่าวางแผนจัดการใช้สอยทรัพย์ใช่ไหก็คือ ใช้จ่ายเงินทองเป็นต้นเหล่านี้ในสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าก็ตรัสไว้เป็นหลักหนึ่งใช้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบิดามารดาคนที่อยู่ในรับผิดชอบเลี้ยงคนที่ควรเลี้ยงตลอดถึงทํากิจการงานต่างๆประการต่อมาก็คือทํากิจการเป็นนักธุรกิจลงทุนก็แบ่งเป็นสองส่วนไปส่วนที่สี่ก็เก็บเป็นหลักประกันชีวิตไว้ในบ้านปลายของชีวิตแต่ยามเจ็บไข้เขาว่าไปนี่เนะี่ยแล้วประการต่อมาก็คือ ครั้งที่แล้วก็พูดในเรื่องการไหว้ทิศการไหว้ทิศคืออะไรการอยู่ในโลกนี้อยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเนี่ยหลักการตรงนี้ที่กล่าวไว้ทั้งหมดนี่หลักการที่พึงปฏิบัติต่อกันอย่างไรเป็นต้นนะทิศเบื้องหน้าหมายถึงพ่อแม่ทิศเบื้องขวาหมายถึงอาจารย์ทิศเบื้องล่างหมายถึงเออทิศเบื้องซ้ายหมายถึงหมายถึงเพื่อน ทิศเบื้องหลังก็บุตรภรรยาแล้วก็ทิศเบื้องล่างก็หมายถึงผู้งใต้บงังคับบัญชาลูกน้องทิศเบื้องบนก็หมายถึงพระนี่นะหลักการที่จะประสานไอ้ตรงนี้แหละหลักการที่จะประสานในกรณีแห่งการอยู่ร่วมกันทั้งหลายเหล่านี้เป็น ต, ต้นก็ใช้หลักอะไรหลักสังขาวัตถุแล้วก็หลักพระวิหารเป็นตัวเชื่อมประสาน ทีนี้หลักพรมวิหารหลักสังขาวัตถุในการที่จะเป็นตัวเชื่อมประสานเนี่ยก็ไปดูหลักการอะตามไปดูอีกหน้าหนึ่งเตามไปเลยนะไปดูในกลุ่มของการเดินกลุ่มในเรื่องของทานกุศลเพราะจะเชื่อมโยงกันนะเเปิดไปที่หน้าที่8ปดบสี่ถ้าไม่เปิดก็ได้ไม่เป็นไรแต่ที่ใบเนี่ย ถ้าใครไม่ต้องเปิดก็ดีจะได้เข้าใจเพราะว่าจริงๆถ้าเปิดเดี๋ย ว, ยวตาเราก็จะไป ม, มัวอยู่กับหนังสือที่จริงมาอธิบายเนี่ยน่าจะจับประเด็นได้แล้วก็เข้าใจได้ชัดทีนี้ทานเนี่ยหมายถึงกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้เห็นไหมเพราะหลักสังหาวัตถุข้อแรกเลยจริงๆก็คือการแบ่งปันการให้นี่พูดถึงในเรื่องของทานนะกุศลในเรื่องของทานนะกุศล ที่จะพยายามขับเน้นให้เราเข้าใจในภาพหลักตรงนี้เลยเพราะในช่วงบ่ายจะได้มีการไปจัดเสวนากลุ่มย่อยกันเนี่ยจะได้จับประเด็นได้ชัดในตัวทานกุศลคือกุศลเจตนาเป็นเหตุแห่งการให้ไอตัววัตถุทานหรืออมิสทานก็นสิ่งของที่ควรให้ถ้าเรามองอย่างนี้นะวัตถุในโลกใบเนี้เอาของที่ไม่มีชีวิตเนี่ย ตึกหลังนี้อันนี้เป็นวัตถุทานหรือเป็นวัตถุกรรมฮะเป็นวัตถุทานเป็นของที่ควรให้หรือเป็นเป็นวัตถุกรรมเปสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นของเราเป็นอะไรดีเนี่ยฮะเอ้าเนี่ยตึกหลังนี้มีกี่ชั้นสามชั้นเนี่ยเป็นวัตถุกรรมเป็นของที่ควรยึดติดว่าเป็นของของเรา ใช่ไหมมันก็เป็นทานกุศลไม่ได้แต่ถ้าเป็นวัตถุทานก็แปลว่าเป็นสิ่งของที่ควรอะไรควรให้ถ้าเราจะคิดถึงตึกหลังนี้เราจะคิดเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานฮะถามว่าตอนนี้ถ้าเจ้าของแล้วแต่เขาจะคิดเป็นนี้หรือไม่เป็นนะใช่ถ้ายึดถือยึดติดว่าอันนี้เป็นของเรา เราจะยึดติดเราจะพัวพันเราจะผูกพันกันไว้เราจะกอดจกนกระทั่งตายจะลมให้ใจขาดนี่แหละมันก็กลายเป็นแค่วัตถุกรรมอ้าวกลับไปที่บ้านเราเป็นวัตถุกรรมหรือวัตถุทานเออเรายึดติดหมดแล้วรถเราวัตถุกรรมหรือวัตถุทานก็วัตถุกรรมเนี่ยเป็นของที่ควรยึดติดเนาะเสื้อผ้าโอ้โหเป็นวัตถุกรรมเยอะหมดเลย แล้วอะไรเป็นวัตถุทานของเราได้บ้างเนี่ยเห็นไหมถ้าใจอตอนที่ตอนที่พระเจ้าตากศิลป์กู้บ้านแปลงเมืองมาเนี่ยถ้าท่านยึดถือว่าเป็นวัตถุกรรมท่านจะกล้าสละถวายเป็นพุทธบูชาไหมท่านจะกล้าไหมท่านไม่กล้าหรอกท่านบอกอตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากคู่ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินนี้ไว้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระโคดม อันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยท่านไม่ยึดติดยึดติดว่าเป็นอะไรเออไม่ได้ยึดติดว่าเป็นวัตถุกางแต่ท่านเห็นว่าเป็นวัตถุที่ควรให้ควรสละเออตรงเนี้อยู่ที่การคิดเป็นแล้วไหมเนี่ยเห็นไหมแต่เราคิดเบ็เสร็จอย่างเง้ยเอาอาคารหลังนี้เบ็ดเสร็จถ้าเจ้าของคิดเป็นนะเราจะคิดเอ อ, เ, อ, อเราจะทําเป็นวัตถุทานเพื่อให้บุคคลได้มาใช้สอยใช้ประชุม เห็นไหมมีพระเจ้าเป็นประมุขายีกโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยเอาพระวิสูสงมามีการจัดอบรมมีการประพฤติปฏิบัติการมีการให้วิชาความรู้เชิงด้านวิชาการกายเขาไม่ด้มองว่ายึดติดเลยแต่รักษาไว้เพื่อให้เป็นวัตถุทานที่ถาวรจะได้ใช้ประโยชน์ให้ยาวๆนานนาแต่ไม่ได้รักษาไว้โดยฐานะที่ยึดติดโอ้โหอย่างนี้จะเป็นทานกุศลได้อย่างยิ่งใหญ่ไหมเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้เป็นเห็นไหม เพราะจริงๆมันอยู่ที่ความเข้าใจที่มีปัญญาเรียนรู้ฉลาดในความจริงตอนนี้เรากําลังจะก้าวไปสู่ไตรสิกขาคือวิชาในการที่คือวิชาของชีวิตนี่แหละเพราะเรารู้คำสอนของพระเจ้ารู้พุทธโอวาทแล้วก็มีพุทธโอวาทเป็นคติเป็นทางดำเนินแล้วก็สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอมิสถาน วัตถุทานมีทั้งหลายอย่างให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยานภาชนะให้ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทิบก็ไปแจกแจงรายละเอียดนะอันนางปานังคลังวะทางในเวลาเขาสวดกันเอก็นี่ไงให้ข้าวให้น้ําเป็นต้นเหล่านี้แหละก็นี่ไงเรามองให้เห็นว่าโอ้บางทีบางกลุ่มที่เขาฉลาดในการคิดเาก็บอกว่าให้สีเป็นทานอันนี่ย เห็น ไ, ไหมเออเราจะแต่งสีให้สวยๆถวายเป็นทานให้เป็นทานให้เป็นวัตถุทานเสียงนี่ยนะทำเครื่องเสียงดีๆเบียดเสดเพื่อจะทําให้คนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก็ให้เสียงเป็นทานอีกเออมีกลิ่นดีๆด้วยนะเนี่ยนะกลิ่นบรรยากาศที่ดีๆกลิ่นหอมๆทั้งหลายเนี่ยให้กลิ่นเป็นทานเอาอยู่ในอาคารนี้มาอบรมเบียดเมีอาหารด้วยมโอ้โหให้รถเป็นทานอีก เอาบรรยากาศข้างนอกร้อนดีนะให้โพธิพลาซะเลยเป็นทานบางคนได้โพธิพลาดีนอนหลับคลอกคลอกเลยตันี้เห็นไหมโอ้ยคนที่เขาเจริญทานกุศลเขาคิดเป็นหมดนะ่ะแล้วก็ให้ทำมารมณ์ให้ความรู้ไงให้ความรู้ไงทำมารลขอความรู้ที่ไม่มีโทษต่อกระแสะของชีวิตให้คําสอนของพระเจ้าเป็นหลักเป็นคติเป็นเครื่องดําเนินชีวิตอันนี้ชัดเจนนีอยังตัวเนี้ยนี่ไงองมิตสตาน นี่ไงว่าถุธทานที่มาแปลงสภาพถามว่าเวลาเราเจริญทานกุศลเนี่ยเราคิดได้แบบนี้ไหมอันนี้ปัญญาที่เขาไปคิดใช่ไหมปัญญาที่เขาไปวิจัยเบียเทั้งหมดเหล่านี้ตัวที่สำคัญที่สุดตัวพระเอกจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่กุศลเจตนาคือจิตที่คิดจะให้ให้เขาได้รับความสะดวกได้เห็นสีแล้วเกิดความฮึกเหิมฝึกฝนพัฒนาตนเอง ได้ยินเสียงแล้วทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าจะได้ปฏิบัติขัดเกลาตัวเองได้บรรยากาศกลิ่นแบบนี้แล้วจะทําให้เขาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติได้อาหารแบบนี้แล้วจะได้เป็นปัจจัยต่อทํำให้สุขภาพร่างกายรองรับคําสอนของพระเจ้าได้ได้ผลิตภัณอย่างนี้แล้วเขาจะได้ตั้งใจฟังวธรรม ได้คําสอนเบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วก็จะได้หลักการในการพัฒนาชีวิตของตนเองเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องจากเป็นคนที่มีกิเลสหนาะค่อยๆทำลายกิเลสลงเรื่อยๆๆจากบุตุชนเป็นอันธบุตรชนบุรชนที่กิเลสหนาะก็เริ่มเป็นกาลยาณะบุตุชนออกาลยาณะบุตรชนเพียงผู้เริ่มจะศึกษานะไม่ใช่ผู้ศึกษาอยู่กําลังศึกษาอยู่นะไตรศึกขาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเราเปลี่ยนแค่ว่าเอ๊ะทำยังไงจาก อันทะบูรุชนก็บุรชนที่ยังบอดยังหนาเนี่ยตอนนี้เราก็ทําลายความบอดความหนาความไม่เข้าใจออกให้บางๆงลงบางๆงลงนในตัวกิเลสในราคะโทวสาโมหะความเข็นผิดทั้งหลายเหล่าเนี่ยเราเริ่มจะมากลายเป็นอะไรกัลยาณบูรุชนเขาแปลว่าบุรุชนที่เริ่มจะอะไรเริ่มจะเป็นคนดีกับเขาเพื่อจะเข้าไปศึกษาเป็นคนดีตามรอยอะไร ตามรอยพระศาสดาคําว่าคนดีตามรอยพระศาสดาเขาเรียกกัลายาณบุญชนแต่ถ้าไม่ใช่คนดีตามรอยพระศาสดาเขาเรียกว่าอันทบุญชนบุญชนที่ยังหนาอยู่ยังมืดอยู่ใช่ไหมยังมืดอยู่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ศิกขาสารยังไม่รู้ เ, เส้นทางยังไม่รู้แบบฉบับยังไม่รู้ มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธที่ถูกต้องเขาเรียกอันธบุรุษชนเอาตอนนี้ครูจะเป็นอันธบุรุษชนหรือเป็นกัญญาบุรุษชนเออเป็นกัญยาบุรุษชนแปลว่าผู้เริ่มจะเข้าไปศึกษาบอกฉันจบปริญญาตรีมาแล้วไม่ศึกษาได้ยังไงอันนั้นไม่ใช่ศึกษาตามแนวฉบับของพุทธเจ้า ก็ศึกษาไปซีแบบนั้นนะ่ะไม่ใช่แบบฉบับไม่ใช่มาตรฐานของชาวพุทธใช่ไหมเราอยอมฟังเนี่ยหนักใจไหมเนี่ยอยากจะเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาหรืออยากจะเป็นคนดีตามตามอย่างโลกที่เขาเป็นตามตามแบบไหนเออตามพระศาสดาต่อไปไปบอกนักเรียนด้วย เนี่ยตอนนี้ครูเป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาแล้วพวกเธออยากจะเป็นคนดีตามรอยพระศาสดามันครูไหมก็บอกอยากเป็นงั้นก็ต้องอบรมเจ็ดว <c ười vic> ันยังครูนะแทบแย่เลยได้ไหมนี่เข้าใจนะเออเราจะเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาเพราะคนดีมีหลายอย่างไหมเออมีหลายอย่างแต่เราจะเลือกเฉพาะเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาเท่านั้น เจตนาทานก็คือเจตนาคือคิดจะให้ความตั้งใจที่จะแบ่งปันเสียสละแต่ถ้าวัตถุสิ่งของนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยเจตนาที่คิดจะสละวัตถุทานนั้นก็ไม่เรียกวัตถุทานแล้วเป็นวัตถุกรรมไปแล้วเดี๋นี้ใช่อหมอถ้าเนี่ยเราไม่อยากจะให้ใครเนี่ยเราจะเก็บไว้กินคนเดียวนี่เป็นอะไรเนี่ยวัตถุกรรมแล้วเรารักเราหวงใช่ไหมล่ะงั้นต่อไปมองทุกอย่างให้เป็นวัตถุทานได้ไหมเนี่ย เอาแว่นที่ใส่ไว้เป็นวัตถุทานได้ไหมคิดที่เราจะต้องให้ให้ได้เนี่ยที่ต้องให้ให้ได้แต่อย่าเพิ่งคิดดังคิดในใจก่อนได้ไหมไม่มีใครรู้เราเนี่ยใช่ไหมเราจริงไม่จริงถ้าไม่กล้าคิดเลยจะกล้าให้เขาไหมเนี่ยไอ้พราะไม่ค่อยกล้าคิดอย่างนี้เพราะแว่นหายเราเครียดหนั ก, กนอะไรเงี้ยอ้าวพอมีลูกคิดยังไงเราจะให้เราจะถวายพระพุทธเจ้าถ้ามีลูกชายเนี่ย ถ้ามีลูกษาเราก็จะถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นอุบาสิกาเป็นแบบฉบับที่ดีเราจะให้เขาเดินตามรอยพระาศาสดาใช่ไเป็นคนดีตามรอยพระาศาสดาไม่ใช่เป็นคนดีแบบอื่นนี่เราแปลว่าเราจะให้ใช่ั้มเราจะถวายให้กับพระพุทธเจ้าอันนี้แปลว่าคิดจะให้ถ้าคิดจะเอามันก็กลายเป็นวัตถุกรรม โอ้โหละคิดแล้วแต่เนี้ยอันนี้การการต้องต้องมีสมาธิตีต้องมีปัญญานะถึงจะมีความเข้าใจให้ชัดเจนตรงนี้ก็คือเจตนานั่นแหละจิตที่คิดจะสละต้องคิดบ่อยๆไหมคิดบ่อยๆคิดเสมอๆมองเห็นบ้านก็ว่าสักวันหนึ่งเราสละแน่ พอน้ําท่วมนั่นงูอ่ะแล้วชื่นใจจริงๆจะมาเล่าในบรสลามีโยมคนหนึ่งนะไปไปที่อินเดียกยาเนี่ยแกยุมมากแล้วแต่ก่อนแกไม่เคยศึกษาพระธรรมเลยนะแกอยู่ยุธยาเนี่ยแกมีบ้านทั้งสามหลังแกแกไปอินเดียแกเคิดเนี่ยให้แกมองให้ออกวัตถุกรรมวัตถุทานวัตถุกรรมวัตถุทานแกฝึกคิดสลากสลาสลาสลากแกถวายเลยแกถวายเออถวายบ้านเป็น พุทธบูชาดีกว่ากกว่างั้นฝึกคิดถวายถวายถวายแล้วก็ปล่อยฝึกปล่อยวางเป็นแต่นี้มาปีที่แล้วน้ำท่วมอาจารย์ก็สงสารแกแกอยุตั้งแปดสิบกว่าโทรไปถามแกอยอมอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ยอมหนีมาอยู่เนี่ยนอนบุรีตอนนั้นท่วมอายุยาทอา้าวแล้วท่วมหมดเลยไหมโอ้ท่วมหมดเลยว่างั้นสามหลังท่วมหมดเลยเออที่แรกอยุยาสองหลังมันท่วมหมด อ๋อแล้วยอมเครียดไหมเนี่ยโอ้ไม่เครียดหรอกทํำไหมน้ํามันมาที่หลังผมบมสลัดถวายเป็นพุทธบูชาไปแล้วน้ําชาไปแล้วอห็นไหมจะชื่นใจเลยยองเอาน้ําช้าไปแค่ว่าโอ้โหเกือบไปแกเพิ่งได้สลได้ปีเดียวเองอะ่ะแกน้อมถวายตลอดไงน้อมสละตลอดไงพอน้ําท่วมแกไม่เครียดเลยก็ว่าเอา้าถวายพระเจ้าแล้วไปเห็นต้องเครียดเลยไปใจสมบัติของเราแล้วเราได้บุญไปแล้ ว, ลวเราเจริญกุศลไปแล้ว ก็เลยถามแกเอ้าแล้วที่ไปอยู่ที่นนบุรีที่บ้านหลังใหม่สละไหมโอ้ยสละอีกแล้วว่ากันไม่กี่วันน้ำตาไปทัว่วมีเรียบร้อยโดนทั่วหมดเลยเอ้ยแต่แกก็ได้หลักคิดใช่ไหมปีนี้แกก็ไปอินเดียด้วยก็ยังคุยรักมากเอ่ย้อมที่มานี้ใช่ยอมยอมอูดหรือเปล่ายอนอะไรนะ ยอมไรเป็นผู้ช่วยผู้ผู้นายการเนี่ยยอมไรนะยอมอะไรนะยอมไรนะ อ, อุใช่ไหมเอ่ยยอมอุจะเล่าไอ้ปังเออโยมท่านนี้ก็แกรักมากจะมีพระหลวงปู่ทวดรุ่นรุ่นอะไรนะที่ดังที่สุดเนี่ยหลวงปู่ทวดเนี่ยรุ่นไหนนะอะไรนะเออนั่นแหละ โห oh, ลักมากแกคล้องคอไปนะพอไปที่พระคันนกุฎีของพระเจ้าที่วัดเชตวันอาจารย์เขาบอกว่าเอาลองเจริญปิยาทานังหน่อยสิให้ของที่รักถวายเป็นพุทธบูชาเอาใครมีของที่รักก็ถวายหนะ่อแกก็นึกนึ ก, น, กนึกไปนั่งคิดอยู่พักหนึ่งแกก็เข้าม า, าจาย์ครับเนี่ยผมจะถวายแกก็ถอด ถ้าความส้อยเนะเอาไปวางถวายเป็นพุทธบูชาที่พระคันตกดีอ่ะเอาแล้วไม่เสียดายแล้วไม่หรครับสละแล้วตัดใจอยู่สละขาดไปแล้วอเอาแก่ดีเออลองทำโดยที่นี่ไงปิยาทานังถ้าใครไม่เคยให้ของที่รักจะไม่รู้หรอกว่าทานกุศลเนี่ยยิ่งใหญ่ เราไปฝึกนะบางคนเนี่ยมีของนิดหน่อยลากไอ้คนตัว ต, กกตุ๊กตาตุ๊ ก, กตาตัวเดียวนั่นรักอยู่นั่นแหละเองฝึกได้จสรสละของที่รักสิเราจะได้เข้าใจว่าโอไอ้ตัวทานกุศลมันเป็นแบบนี้ไอ้จิตที่คิดจะสละเนี่ยสภาพจิตใจมันชื่นใจอย่างนี้น้อมคิดสละคิดจะสละบ่อยๆแล้วก็กล้าที่จะสละเห็นไหมว่าทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องของจิตใจไหมเป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของความกล้าเสียสละ กล้าเสียสละทัน้นเจตนาทานในะจริงเป็นเรื่องที่สําคัญนะการให้ทานในพุทธศาสนาท่านแยกเป็นสามอย่างนะอมิสาทานก็คือเรียกว่าวัตถุทานก็คือการให้สิ่งของส่วนอภัยทานได้แก่การให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ทั้งหลายนั่นเป็นชั้นลุ่มศีลส่วนธรรมทานก็คือการให้พระธรรมให้คําสอนให้วิชาการความรู้ที่ไม่มีโทษนี่เป็นธรรมทานเออพวกเราให้ธรรมทานกันตลอดไหมเราสอนหนังสือทุกวันไหมเนี่ย สอนไม่สอนเราคิดไหมว่าเราไปให้ธรรมทานคิดแบบนี้หรือเปล่าวิชาที่เราสอนมีโทษหรือไม่มีโทษเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สามารถหล่อเลี้ยงกระแสะชีวิตของเขาอยู่ในโลกใบนี้ดีหรือไม่ดีนั่นไงเป็นธรรมทานพวกเราเนี่ยนักแสดงทำแต่เราไม่ได้คิดที่จะเป็นทานกนุศลเลยไม่เป็นไงเราคิดเพียงว่เออเราเป็นครูทําตามหน้าที่ ก็เอาไปคิดไปฝึกให้เป็นเห็นไหมจิตที่คิดจะสละที่จะทำเนี่ยมันจะทําได้เต็มที่ส่วนต่อมาเนี่ยท่านแยกลักษณะของทานเขาไว้นีลักษณะของทานเป็นสามีทานสหายทานแล้วก็ทาสทานคำว่าสามีคืออะไรเจ้าของสามีทานไม่ใช่ว่าให้สามีเป็นทานเนี่ยคว่าสามีทานเนี่ย เขาแปลว่าการให้วัตถุสิ่งของที่มีความสวยงามมีของปณีตเป็นของประนีตเป็นของดีเออเวลาเราจะให้ทานหรือกอของให้แกบุคคลอื่นเนี่ยเช่นเราจะให้พ่อแม่เนี่ยเราให้ของที่ดีกว่าเรากินของเราบริโภคหรือให้ของเสมอเราเออดีกว่านี่อย่างนี้ก็ยกประนีตประนีตสทานแล้วก็เรียกสามีทาน ทำไมจึงเรียกว่าสามีทานเพราะเราให้ตัวเจตนาทานเนี่ยเป็นใหญ่กว่าชีวิตเราความตั้งใจเนี่ยเป็นใหญ่กว่าดีกว่าประเสริฐกว่าเรายอมที่จะกินอย่างไม่ดียอมที่จะใช้อย่างไม่ดีแต่เรากล้าที่จะให้ของดีๆของที่ประนีตบางคนเนี่ยเป็นทานาที่บดีนะเออขาเขาเรียกว่าเป็น ทานบดีขาาออภัยแด่พระธานาทิบดีมีเป็นทานนบดีเขาแปลว่าอะไรรู้ไหมเขาแปลว่าชีวิตของเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเพื่อพระราชนไตรเนี่ยกหาหมดแม้ชีวิตก็ากาขนาดว่าในสมัยครั้งพุทธกาลนี่นะขนาดว่าพระป่วยเนี่ย ปลาธนาจะได้บริโภคเนื้อถ้าบริโภคเนื้อแล้วจะหายจากป่วยไข้เนี่ยกล้าที่จะตัดปีน่องด้วยเองเนี่ยย่างทำอาหารถวายพระเลยอ่ะอันนี้แปลว่ายิ่งใหญ่ไหมเนี่ยจนพุรธเจ้าต้องบัญญัติเลยไม่ไม่ฉันเนื้อมนุษย์เลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ไงคือถ้ายัง อ, อ, อนาถาปินิกหรือนางวิสาขาเนี่ยโอ้โหกล้าสลับจนขนาดไหนไม่สนใจ กล้ที่จะให้ทานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยอย่างเรานี่คือเรียกว่าเวลาจะถวายพระก็เลือกเอาของที่บริบูรณ์ตนเองก็เอาของที่ไม่บริบูรณ์ไวลรบประทานอันนี้คือว่าส่วนกลุ่มหนึ่งคือสหายทานให้เสมอตอนเองตอนเองกินยังไงก็ให้อย่างนั้นเอา้าถามหน่อยเวลาเราจะใส่บาตรก็ดีจะให้กับพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเหล่านี้ยเราให้ ของที่ประนีดกว่าเรากินหรือเสมอเราฮะทุกครั้งไหมทุกครั้งหรือว่าบางครั้งทุกครั้งนะอย่างนั้นตัววัตถุประนีดแล้วแต่ใจต้องประนีต ด, ด้วยนะ <c oughs> ใจต้องประนีดด้วยถึงจะยิ่งใหญ่เพราะว่าจริงๆแล้วตัววัตถุประนีดอย่างเดียวพอหรือไม่พอ ฉะนั้นสภาพจิตใจนั้นก่อนให้ขณะให้หลังให้ก็ไปปรุงแต่งเจตนาแข็งแรงให้ชัดเจนประการต่อมาก็คือสหายทานหรือขอไปท่าสทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของตนเองไม่บริโภคใช้สอยแล้วเช่นเอาของเก่าๆให้เคยไหมพอมีภาพบิณฑบาตมาก็ไปดูนี่ในตู้เย็นมีอะไรเหลือๆไหมอ๋อพอดีแล้วมีใกล้ๆจะบูดจะเน่าแล้วพอดีแล้วพระก็มาพอดีก็เลยเอาให้ไป เคยแบบนี้ไหมไม่เคยเลยดูไอของดีๆก็เอาซ่อนๆซ่อนๆก็ไว้แล้วก็ของไม่ดีก็เอาไปให้ทานโอ้ยมีคนมารับทานแล้วเอาแต่ของไม่ดีดีของไม่ดีทั้งหลายไปให้แต่หมายตาของดีเข้าไว้ไม่ต้องอะไรเรากินอาหารบนโต๊ะเนี่ยมันมีของดีๆเบ็ดเสร็จแล้วก็หมายตาไว้ของไม่ดีอะ่ะที่กินนี่เนี่ยอะ่ะกินนี่เนี่ยกินเนี่ยหยิบให้คนอื่นเขาเลยของเราที่หมายตาไว้ของดีๆเงี้ยเคยเป็นไหมล่ะ อันนี้เป็นท่า ส, สถานเนี่ยนะเพราะการหยิบของให้เพื่อนเป็นทานกุศลไหมเป็นหยิบของให้นักเรียนเหมือนกันนักเรียนแจกของโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หมายตายของดี ด, ดีเสร็จเสร็จเราเนี่ยเสร็จเราเนี่ยอันนี้เป็นนี่แหละท่าสถานต่อไปคิดใหม่เวลาให้คนอื่นให้ดีไหมแต่ที่จริงวัดหลายอย่างด้วยนะโอ้วัดคุณวัดอะไรต่างๆผู้รับ อันนั้นก็ว่าในรายละเอียดแต่นั่นแหละตรงนี้ก็คือว่าในระดับของวัตถุทานมีความประณีตพิเศษแตกต่างกันก็ตามแต่ในการให้ทานเนี่ยท่านหมายเอาความว่าเมื่อจิตผ่องใสในการถวายแม้จะน้อยค่าก็มีผลมากท่านใช้คำว่าอัติจิตเตประสันนำหิอปการนามาทกทักขีนาคือว่าถ้าจิตผ่องใสก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจ เป็นไปกับยานปัญญาอย่างแท้จริงแม้ของน้อยนิดแต่ผลนั้นก็จะมีค่ามากมีค่ามากเขาจยังมีค่ามากอันนี้ทั้งหมดเหล่านี้ท่านสอนอะไรกันแน่ท า, านกุศลสอนในเรื่องการขับเน้นความเข้าใจได้ถูกต้องถ้าเราไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของทานกุศลในกรณีการการแบ่งปันการสละการให้ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไม่มีความเข้าใจให้ท่องแท้ ที่สุดจริงๆทานกุศลก็ได้แค่รูปแบบโดยส่วนใหญ่ทีนี้ศรัทธายาทานังเทติเนี่ยการให้ได้ศรัทธาทานให้ได้ศรัทธาผู้บริจาคนี่นะให้ทานด้วยความเชื่ อ, ด, อด้วยความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเออทาไมเราเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะเรามั่นใจถึงพุทธโอวาสตอนนี้ เราเข้าใจแล้วว่าตอนนี้เราเข้าใจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณใช่ไหมเจตที่เราต้องการจะฝึกฝนพัฒนาตนเองฝึกตนเองพัฒนาตนเองนี้เรามีแบบแผนเรามีแบบฉบับที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักเอาไว้ฉะนั้นเราให้ก็ให้ได้ศรัทธาศรัทธาในที่นั้นคือเชื่อมั่นอะไรตถาคตโพธิศรัทธาอันนั้นแหละอันแรก ถามว่าพรัตถาคตเนี่ยฝึกตนเองได้ด้วยการบาเพ็ญทานบา ร, รมีใช่ไหมเป็นต้นใช่ไหมล่ะเมื่อพรัตถาคตเนี่ยฝึกตนเองพัฒนาตนเองด้วยทานบา ร, รมีเป็นต้นเออแล้วเราล่ะมีศักยภาพในการที่ต้องการจะพัฒนาตนเองเราก็เชื่อมั่นว่ากันเราเป็นมนุษย์เนี่ยพัฒนาตนเองได้ฉะนั้นเราก็เลยให้แล้วก็เลยเจริญทานกุศล ทานกุศลของเราเนี่ยถ้าเราให้แบบธรรมดาแบบถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในพระตถาคตทานกุศลนั้นเขาเรียกให้แบบไม่ศรัทธาถามว่าเชื่อมั่นพระตถาคตเนี่ยก็คือเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงด้วยพระธเจ้าสอนเรื่องอรายในเรื่องเหตุกับผลเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นใช่ไหมล่ะอันนี้มันหลักของกุศลกรรมบทหลักพื้นฐาน และตอนเนี้ที่เรากําลังจะให้ไปเนี่ยใช่เจตนาจิตที่คิดจะให้ไหมให้ตัวเจตนากือจิตที่คิดจะให้นี่เป็นเจตนากรรมนี่เป็นกุศลกรรมนี้เป็นปัจจุบันกรรมหรือเป็นอดีตกรรมที่เรากําลังคิดจะให้เป็นปัจจุบันกรรมหรืออดีตกรรมเออปัจจุบันกรรมเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าให้ด้วยฉันทาทานังเป็นบุญหรือเป็นบาป โทสาทานังเห็น <He ard S 2> ไหมมันจะมันจะเกลื่อนเก้อด้วยกิเลสแต่เราก็พยายามจะหลีกลลเราจะไม่ให้ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกรธลำเอียงเพราะเข่าลำเอียงเพราะกลัวฉะนั้นต่อไปเราจะให้ตามประเพณีหรือจะให้ด้วยศรัทธาเห็น <He ard S 2> ไหมเราจะไม่ให้ตามประเพณีตามประเพณีเคยทํามามากแล้ววะงั้นต่อไปเราจะพัฒนาฝึกตนเองตามรอยเป็นคนดีตามรอยพระศาสดาใน ในการฝึกไตรศึกขาในทานกุศลอยู่ในหมวดไหนหมวดศีลหรือหมวดสมาธิเนี่ยไม่หมวดของศีลนะตอนนี้นะที่เราเดินเนี่ยทานกุศลกับศีลเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเพราะการที่เราจะเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยผู้เจ้าสอนว่าเออเราจะยึดยงสังคมได้อย่างไรก็คือทานไงปิยาวาจาถัจริยาสมาณะตาตาเป็นต้นไงนี่กืหลักของทานกุศลนี่แหละแต่เรามีข้อมูลเรามีความรู้เราเป็น เราไปสมาทานเป็นพุทธมามากะแล้วใช่ไหมเราขอถึงพระเจ้าเราเป็นสิทธิ์ของใครเป็นสิทธิ์ของพระราตนารัยเราเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์ไหมเนี่ยมีแล้วเป็นสิทธิ์ที่มีอาจารย์ใช่ไหมละ่ะอันเตวาสิโกอ่ะอเป็นอันเตวาสิขขทธิ์ของพระเจ้าของพระราตนตรัยเรียบร้อยไปแล้วเราสมาทานไปแล้วใช่ไหมวันแรกๆพาสมาทานไปแล้วตั้งใจไหมวันนั้นตั้งใจนะ ทีนี้เราก็ให้ด้วยศรัทธาศรัทธานิสภาพจิตเป็นยังไงมีความผ่องใสมีความผ่องใสเป็นลักษณะเชื่อมั่นในสัตย ว, วัตถุคือวัตถุที่ควรเชื่อก็คือเชื่อมั่นพุทธรัตนานี่เป็นวัตถุที่หนึ่งเชื่อมั่นธรรมรัตนานี่วัตถุที่สองเชื่อมั่นสังครัตนานี่วัตถุที่สามเอาทำไมต้องเชื่อมั่นพุทธ ร, รัตน์เชื่อมั่นพระเจ้าเนี่ย จากมนุษย์ธรรมดานี่ฝึกฝนพัฒนาบำเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระธถาคตเป็นพุทธเจ้าได้เออพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ได้ก็ เ, เพราะฝึกตัวเองใช่ไหมเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้ด้วยตนเอง เ, เพราะฝึกไหมถึงเป็นผู้ที่ถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะได้ก็ เ, เพราะฝึกเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้จําแน่แกะแยงพระธรรมในวันนี้ได้ก็เพราะจากมนุษย์ธรรมดาฝึกตนเองมาได้นี่เขาเรียกเชื่อมั่นในวัตถุที่หนึ่งและเชื่อมั่นในพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงไหมเห็นไหมเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าตัดสุขความจริงคือเหตุและผลเป็นต้นเหล่านั้นความจริงเหล่านั้นนั่นแหละ เราก็นำมาเป็นคติเป็นทางนำเนินของชีวิตเป็นพุทธโอวาทที่จะมาประชุมกับชีวิตที่จะทำให้กระแสะชีวิตของเรานั้นเดินก็สู่แนวทางที่ถูกต้องเราต้องการพัฒนาตนเองให้เป็นหนึ่งในสังฆายได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือศรัทธาทานความเชื่อมัน่นลักษณะของศรัทธากิจของศรัทธาการงานของศรัทธาเวลาศรัทธาเดินขึ้นในใจใครแล้วศรัทธามันทาลายอะไรรู้ไม ทำลายความลังเลสงสัยความไม่แน่นอนใจความไม่มั่นใจความไม่ดิ่งใจไปในพระธนัตไตรไอตัววิจิกิารนะมันจะอยู่เงี้ยเออจะศรัทธาไม่ศรัทธาไปเงี้ยนะแต่พอศรัทธาตั้งมั่นเบ็เสร็จปุ๊บจะตัดความลังเลสงสัยแล้วจะตัดความไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเชื่อเป้าหมายก็คือได้ข้อมูลชัดแล้ว คนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นเนี่ยไม่ใช่เป็นศรัทธาข้างเดียวนะแต่มีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจกั บ, กบสังเกตตัวนั้นพอศรัทธาเกิดขึ้นน่ความผ่องใสก็เกิดขึ้นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ น, นึงและตัวศรัทธาเหมือนแก้วมณีอัญญามณีที่เรากแก้วมณีของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเวลาจุ่มลงไปในน้ำที่มีโคลนตมมีจอกไหนเต็ไมไหมดนียนะ ไอ้โครนตมก็ดีจอกไหนแะงก็ดีก็อันตรธานปราศนาจารย์ไปเลยก็คือปรหนีหายไปหมดเลยก็กลายเป็นน้ําก็ใสสว่างใสแจ๋วขึ้นมาแม้ฉันใดสภาพจิตใจของคนที่มีศรัทธาก็อย่างนั้นแหละก็จะเป็นความผ่องใสยอย่างแรงกล้าและมีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวศรัทธาเนี่ยเป็นความกล้ามากกล้าที่จะข้ามกล้าที่จะเดินเข้าสู่สิกขาสาม ได้อย่างไม่ต้องรังเลสงสัยกล้าที่จะเดินตามรอยพระศ า, าสดาได้แบบไม่ต้องรังเลสงสัยถึงแม้มีอุปสรรคขัดขวางใดๆก็ไม่ท้อถอยเขตผลที่คนมีศรัทธาไม่ท้อถอยเพราะยึดแบบฉบับของพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเวลาใดเกิดความท้อเวลาใดเกิดความเหงาหงอยเศร้าส้อยเกิดทุกข์เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคก็จะคิดถึงพระพุทธเจ้า ว่าพระเจ้าฝ่าฟันอุปสรรคพยานันตรายมาอย่างยาวไกลลองผิดลองถูกมาอย่างมากมายมาวันนี้พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้จริงด้วยแล้วตรัสรู้บอกความจริงมีวิธีการลัดให้เราด้วยโดยเราไม่ต้องไปลองผิดเราปฏิบัติถูกได้เลยตามแบบฉบับเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปคิดเองเรามีแบบฉบับเรามีพุทธโอวาทเป็นคติเป็นทางดําเนินเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเยัเราสวดอะไร โสอาหังเวจารีสามีข้ามาข้ามั่งปุราปุรังนามสัมโนสัมบุญทางธรรมสัส จ, จะรยสู่ธรรมมาตังบอกว่าเห็นไม้มข้าพระเจ้านี้จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมรสการความตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ย ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปณนเะมืองใดทิศใดแห่งหนตําบลใดข้าพเจ้าจะผินหน้าหันหน้าไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือน้อมนมัสการความตรัสรู้ดีของบุรุษเจ้าและความเป็นธรรมดีของพระธรรมตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีของปารียสงฆ์นี่แปลว่าอะไรเนี่ยมีแบบฉบัดมีทางดําเนินอย่างชัดเจนแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามีทางดําเนินอย่างชัดเจนไม่ลังเลสงสัยอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวมีตัวโยนิสโสมนัสิการเป็นเหตุกล์ชัดเจนเลยถามว่าพอความผ่องใสเกิดขึ้นในกระแสของความคิดและเรามีความเชื่อมั่นในพระทานบารมีเชื่อมั่นศักยภาพตนเองที่จะเดินทานในกุศลเดินทานบารมีเห็นไหมว่าวัตถุดูเหมือนจกไม่ค่อยผ่องใสเท่าไหร่แต่สภาพใจที่ให้ผ่องใสจิตที่ให้ผ่องใสจิตที่ให้นั้นลึกล่าเริง เป็นไปกับสุกสมมนัสแล้วมีปลานี่มีปลาโมดปิติมีความสุขมีสมมนัสเกิดขึ้นด้วยผลของทานชนิดนี้เป็นผู้ที่มั่งคั่งในพบต่อไปนะหรือในพบนี้ก็แล้วแต่เป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากทั้งพร้อมด้วยกามคุณอย่างมหาศาล ร, รูปร่างก็งดงามน่าดูน่าเลื่อมใสผิวพรรณร่างกายวันนะก็เปลง่งปลงังได้ของอะไรก็จะได้ของดีๆเห็นไหมเราจะสังเกต ด, ดูนะคนบางคนเนี่ย เขาได้ของดีๆบ้านเขาก็งามรถเขาก็งามอันนี้ของภายนอกนี่นะแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าเขาได้แต่ของดีๆประหลาดมากแต่เราเนี่ยทั้งๆก็ไปซื้อบ้านด้วยกันนี่นะซื้อไปซื้อมาอีแปลกไงราคาเดียวกันพอซื้อเขียนสัญญาเบีเสร็จตกลงเงินเบีดเสร็จโอนเงินเบียเสร็จพอไปดูไอ้นั่นก็รั่วลังคาก็แตกระยะๆเบีเยดเสร็จนี่ไง ผลจากการให้ของแบบไม่เลื่อมใสเนี่ยเขามีลูกโอ้โหหน้าตาลูกเขาแต่ละคนผ่องใสดีๆกันทั้งนั้นแหละเราออกมาโอ้โหเอน็นอะไรตัวฐานหรือนคนอะไรเงี้ย น, นี่ยไ อ, อพ่อก็ขาวแม่ก็ขาวลูกออกมาหน้าตาน่ากนเกียติมากเราก็น่าเกียติอยู่แล้วใช่ไหมบางท<อ>บางีบางคนบางคนพ่อแม่บางคนหน้าตาน้าเกียตินะแต่ลูกออกมาโอ้หน้าตาน่ารักมากเพราะว่าอย่างไงเขาเริ่มปรับ อย่างในปัจจุบันนะี่ยถ้าเราลูกเนี้ยนะสมมุติเราเนี่ยมาจากเป็นคนที่ได้ของก็ไม่ดีนะเป็นคนได้แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเงินทองบุตรบริวาหรือญาตินิสทั้งหลายก็ไม่ดีใช่ไหมเอาพยายามไปได้สามีก็ได้สามีที่หน้าตาก็ไม่ค่อยดีอีกต่างคนต่างก็ประเภทเนี่ยนะทานที่ให้มาด้วยไม่ไม่ศรัทธาไม่ค่อยเลื่อมใสเราก็รีบตั้งหลักใหม่ ทำปัจจุบันกรรมเลยพยายามให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยความเชื่อมั่นอุ๊ยพอมีลูกออกมาหน้าทาผ่องใสผิดปกติเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะทรัพย์ที่ได้มาใหม่ๆเพราะมันเป็นปัจุบันกรรมให้ผลในปัจจุบันได้ด้วยนะยอมนะโอ้โหลูกออกมาก็กลายเป็น ผ, ผุดผ่องงดงามทรัพย์ก็บริบูรณ์คนที่เกี่ยวข้องเราก็บริบูรณ์เห็นไหมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าให้ด้วยศรัทธาเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้อภรรยาที่สอง ออโทษของการให้ไม่ด้วยไม่ศรัทธาก็มีโภคะก็น้อยมีรูปร่างก็ไม่สมสัด ส, ส, ส่วนอันนั้นก็ไปดูรายละเอียดสักกจาทานังสักกจั ก, กัจจังทานังเทติเดียให้ด้วยความเคารพทั้งกระทำตนเองและทายธรรมให้สะอาดหมดจดคำว่าเคารพนี่นะคือเป็นกลุ่มของความเข้าใจ ที่ขับเน้นตัวกุศลคือความฉลาดความรู้ความเข้าใจอย่างดีแล้วเคออารพเนี่ยให้สังเกตดูนะบางครั้งเนี่ยไอตัวเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยสภาพจิตใจที่เป็นไปกับสภาพของกุศลเนี่ยถ้าได้ความตระหนักในคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยคนถ้าตระหนักในคุณของพระรัตนตรัยชัดนี่นะเห็นความยิ่งใหญ่ ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นความยิ่งใหญ่ของพระธรรมเห็นความยิ่งใหญ่ของพระริยสงฆ์ฉะนั้นการที่จะถวายทานเบื้องจิตนั้นก็จะตระนักในคุณอย่างรุนแรงอย่างแรงกล้าเขาเรียกว่าเคารพอย่างจริงจังเออบาลีท่านใช้คําว่าเอื้อเฟื้อก็ได้เคารพพระเจาเท่าไรเนี่ยอาทรนะอาทระเนี่ยแปลว่าเอื้อเฟือ้อข้าพเจ้ามีความเอื้อเฟือ้อต่อพระเจ้าเอื้อเฟื้อต่อพวัฒร์เอื้อเฟือ้ อ, อ, อ, อต่อพระสงฆ์ เอื้อเฟื้อต่อกุศลเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมก็คือหมายความว่าเราจะเจริญทานกุศลเราเอาพระธรรมเป็นคติเป็นทางดําเนินทีนี้ทำมังสะนานก็ชามิตัวเจดนาทานเนี่ยนะที่เป็นใบกศะสีนะเออเราจะให้ทานเบ็ดเสร็จก็ตรวจสอบดูซิศีลของเราเนี่ยดีไหมไม่ใช่ให้ทานโดยความตนเองก็ยังทุศีลอยู่ ความทุศีนความไม่มีกุศลศีลเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบโดยที่ว่าตนเองให้ด้วยความลําเอียงพรรักไหมถ้าลาเอียงพรารักเขาเรียกไม่เคารพลําเอียงพรโกรธไหมเขาเรียกไม่เคารพเนะีอย่างนั้นไม่เคารพไอตัวเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆนะ่ยแล้วก็เราเป็นจิตที่เป็นกระด้างไปเรียบร้อยแล้วจิตกระด้างจิตแข็งไปแล้วให้ทานหลงไหมหรือพรกลัวใครจะตําหนิจะว่าเป็นต้นไหม หรือตามประเพณีหรือหวังแค่สุกติโลกสวรรค์หรือเพียงแค่สุขใจไปวันวันไม่เราต้องการจะประดับตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตของเราไปสู่ศีลสมาธิปัญญาจริงๆและตนหนักในคุณของพระราตนตรายจริงๆเราเห็นสิ่งนี้มีค่าเหมาะสมกับการบูชาพระราชนตรายจริงๆเหมาะสมแก่สงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้าจริงๆเราเห็นคุณใช่ไหมเห็นคุณในหมู่อริยสงฆ์เห็นคุณของหมู่สงฆ์ เราต้องการถวายสงฆ์ซึ่งเป็นสังฆทูตซึ่งเป็นตัวแทนก็ว่าไปเห็นไหมสภาพจิตใจของเรานั้นก็ตรวจสอบเปิเสร็จแล้วก็แปลว่าเป็นไปกับสภาพกุศลที่แท้จริงแล้วเกิดความปีติปลาโมดเกิดความเอิบอิม่มแล้วก็มีความตั้งมั่นอย่างแรงกล้า ว, ว่าเราจะฝึกพัฒนาตนเองเราให้ทานในที่นี้เรามีแบบฉบับคือพทธเจ้าเรามีแบบอย่างเรามีเครื่องดาเนินทางศาสนะของเราคือพระธรรม และเราเห็นพระรยะสงฆ์เจ้าทั้งหลายท่านก็เดินตามรอยเบีดเสร็จและเราก็มั่นเราตอนนี้เราจะฝึกจากเป็นปุถุชนธรรมดาอันธพาลปุถุชนตอนนี้เราเริ่มเป็นกัลยาบุถุชนแต่เราจะฝึกฝนจากความเป็นกัลยาบุถุชนเข้าสู่ความเป็นระยะชนให้ได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองในลักษณะนี้แปลว่ามุ่งมั่นนี่เคารพเคารพอะไรกันแน่เคารพเจตนาที่เป็นไวกกุศลปรุงแต่งกุศลให้เกิดได้จริง แล้วก็ตัวสภาพกุศลก็ไปตระหนักในคุณของพระรัตนตรยัยกายของตนเองก็สะอาดวาจาก็สะอาดจิตใจก็สะอาดก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เรื่อมใสให้แล้วก็ปลื้มใจเป็นไปกับยานปัญญา น, นี่ให้วัตถุสิ่งของก็ประณีตใช่ไหมเหมาะคู่ควรแก่กบุคคลที่เราจะบูชาแล้วเคารพในตัวหนึ่งฝึกขัดขัดเกลาตนเองให้เป็นกุศลจริงๆริงดึงกุศลออกมาใช้ได้จริงๆที่เป็นไปกับกายวาจาและใจ แล้วก็นอบน้อมในสงฆ์ก็ถูกมีความเข้าใจก็ถูกต้องก็เลยให้ด้วยความเคารพนะก็คือสัจ ก, กัจจะทานังเนี่ยก็คือว่าผลการให้ด้วยความเคารพการกระทําตนเองและทายาททำให้สะอาดเป็นต้นด้วยให้หมวดจดผลทานชนิดนี้เกิดในภพใดเป็นผู้ที่มั่งคัง่งมีทรัพย์มากพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณอย่างมหาศาลบุตรก็ดีภรรยาสามีข้าทาสบริวารทั้งหลาย ผูนั้นก็ย่ําเชื่อฟังด้วยคำเอา อ, อกเอาใจไม่ขัดใจในการงานทุกอย่างสังเกตดูนะครูสอนนักเรียนนักเรียนเคารพเราไหมเคารพหรือไม่เคารพสังเกตดูไหมพอนักเรียนเห็นเคารพเราจริงๆด้วยเชื่อฟังเราจริงๆด้วยไม่ขัดแย้งเราด้วยบอกอะไรก็ชื่นหน้าชื่นใจมาก ถ้าไม่เคารพอย่าไปโทษนักเรียนให้รู้เถอะโอ้ทานกุศลของเราเราทําโดยไม่เคารพศีลกุศลที่พัฒนาใหม่ก็ไม่เคารพเห็นไหมผลจากการที่เราไม่สามารถที่จะเดินกุศลที่เป็นทานกุศลศีลกุศลออกจากไอตัวทานและศีลเจ็ดประการที่กล่าวมาได้ที่สุจริงๆเราก็จะไม่ได้รับความเคารพ บ, บอกที่มีสามีก็ วันนี้ห้ามไปเที่ยวนะให้อยู่กันก็บครอบครัวแพบไปแล้วเขาไม่เชื่อฟังเราอีกนางปวดหัวอยู่นั่นแล้วบอกลูกอย่าไปนะอยู่ก็ไม่เชื่อแล้วเราก็มักจะไปโกรธลูกไปโกรธสามีไปโกรธนักเรียนไปโกรธบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปมองว่าเขาไม่ดีเขาใช้ไม่ได้ใช่ไหมลูต่อไปรู้ยังว่าเหตุไปจากตรงไหน เอาครูรู้ยังนักเรียนไม่เคารพเรานี่เพราะใครเพราะอะไรเพราะเราให้ทานโดยไม่เคารพเพราะเรารักษาศีลโดยไม่เคารพเพราะเราแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมสังคมที่เกี่ยวกับทิศหเนะี่ยโดยความไม่เคารพที่ไม่เป็นไปกับกุศลบางคนก็เคารพจังดูอ่อนอ่อนอ่อนไปแต่ทางกายอะ่ะมันมีเงื่อนไขอะ่ะเคารพเพราะเรากลัวบ้างเคารพเพราะเราเกรงใจบ้าง เคารพเพราะเราเราอยากจะได้ยศรัฐาบรรดาศักดิ์บ้างมันก็ผิดอีกนั่นเรียกว่าเคารพไหมสภาพใจมันไม่ได้เคารพด้วยกุศลแต่มันเป็นโลภะโทสะโมหะเข้าใจยังเออตอนนี้ก็ว่าไงว่าไงอาจารย์ฝ่ายปกครอง <c oughs> อยากให้นักเรียนเคารพทอนนี้รู้หรือยังสักกัจจทานังเทติ ให้ทานโดยเคารพรักษาศีลโดยเคารพปฏิบัติต่อทิศหกโดยเคารพแต่ไม่ใช่เคารพทางกายอย่างเดียวนะสภาพใจที่เป็นไปกกุศลขับเน้นตัวความฉลาดตัวกุศลออกมาเดินได้จริงๆและต่อไปกุศลเหล่านี้จะเป็นปัจจุบันกรรมให้ผลในปัจจุบันด้วยถ้าใครทับได้จริงนะและจะได้รับความเคารพทีนี้โทษของการให้โดยไม่เคารพ บ, บริวารก็ไม่เชื่อฟววังขัดแยง้งมีปัญหาตลอด ทุกตลอดเครียดบ่อยลำคาญใจไม่ว่าจะสามีไม่ว่าจะบุตรไม่ว่าจะข่าท้าทายพฤิวานไหมบางคนเนี่ยบอกว่าเนี่ยฉันเริ่มจะทนคุณไม่ไหวแล้วนะเนี่ยเออไม่ดูทานโดยเองใช่ไหมไม่ดูศีลโดยเองว่าเราตนเองรักษาด้วยความเคารพหรือเปล่ารู้เหตุแล้วนะตอนนี้นะก็รีบไปทำใครเร่งทำได้เร็วที่สุด ขับเน้นกุศลออกมาได้เดินได้เพ่นพ่านได้มากที่สุดออกมาทางกายทางวาจาได้มากที่สุดผลในปัจจุบันจะเห็นได้ท่านตาเห็นเรียกประโยชน์ในปัจจุบันท่านตาเห็นนี่แหละสนใจไหมทั้งๆ ท, ที่ลงทุนน้อยแม่แบบนี้ลงทุนน้อยแต่ใช้ความเข้าใจมาก ลงทุนน้อยใช้ความเข้าใจให้มากฟังบ่อยๆทำความเข้าใจบ่อยๆแล้วที่สุดจริงๆ จ, จ, จะประสบความสำเร็จอา้าวประการต่อมาการละทานัางเทติการเลนะ่ทานังเทติเป็นการละทานเนี่ยนะบริจาคทานเหมาะสมแก่การผลของทานชนิดนี้อาคันตุกะาทานนางให้ทานแก่บุคคลที่มาจากทิ่นต่างๆโอเห็นคนเ้ามาเดินทางพระเนี่ยนะเดินทางมาแล้วก็มีของที่จะถวายแก่พระเดินทาง คิราณทานังการให้ทานแก่คนป่วยไข้ญิ่งพิกสูก็ดีหรือพ่อแม่ก็ดีเห็นไหมยามที่เขาป่วยไข้เนี่ยการที่เราไปให้ไปอะไรต่างๆเป็นการลทานนะทุกพิกขาทานเออิาทาน อ, อทุกพิกขาทานก็คือการให้ทานแก่ผู้ที่ประสบภัยเคยไปให้บ่อยไหมแต่ต้องให้ปราศจากเงื่อนไขที่บอกมานะ ไม่ใช่ให้ยังตามไม่เป็นอีกนะไอ้ น, นั้นก็แหมาทานมันก็ไม่ค่อยบริบูรณ์นี่แหละผลมันถึงแล้วก็มานั่งช้ำอกช้าใจนี่แหละนวะพระทานนางการให้ทานให้ผลไม้นะที่เพิ่งออกฤดูการอะไรก็ได้นะทิ่งของใหม่ๆได้ผ้าใหม่ๆมาก็ได้ได้ของใหม่ๆมาเลอันนี้ก็เป็นต้นนะ เป็นต้นเป็นอาทิสาบเขาว่าก็ไปเป็นต้นเขาว่าอีกเยอะแยะในรายละเอียดก็สรุปก็คือว่าบริจาคทานเหมาะสมแก่การออผลของทานชนิดนี้ก็ได้อะไรก็ได้ตลอดมีความเจริญพั่งพร้อมด้วยกามคุณอย่างมหาศาลเจริญรุ่งเรืองทั้งปฐมวัยมาฉิมามวัยปัจฉิบมาวัยเอาลองดูทีปัมวัยตั้งแต่เกิดจนถึงยี่สบห้าเราเกิดมาสะดวกสบายทุกอย่างไหมสบายทุกอย่างไหม โอ้ยซับก็มีคนทําให้คอยเรามาแล้วใช่ไหมทุกอย่างมีคนปลนเปลอยทุกอย่างตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องเดือดร้อนเลยไม่ต้องตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยะคือเกิดมาก็มีคนประเคียนให้สบาสะดวกสบายเลยเป็นแบบนั้นไหมตั้งแต่เกิดจนถึงยี่บห้าปีเป็นใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ากา ร, รทานด้านปฐมวัยดีเอามาชีพมาไวตั้งแต่ยี่ห้าถึงห้าสิบเป็นไง ตอนนี้ยังสะดวกดีอยู่มหมยังสะดวกดีอยู่ก็แสดงว่าการลทานยังให้ผลดีอยู่แต่ถ้าไม่สะดวกแสดงว่าการลทานในอดีตไม่ค่อยดีนะอ้าปัดฉีมว า, างแต่ห้าสิบจนตายเตรียมนี่ก็ใครอ้าใครห้าสิบ้างยกมือทีห้าสิบเยอะอ้าห้าสิบยกมือทีมีไหมโอ้มีหลายคนกันนิดห น, นึ่ง้าสิบวัยนี้ก็เรียกว่าวัยวัยละเตรียมตัวลาโลกวัยเตรียมตัวลาโลกไปเตรียมตัวลาโลก เขาเรียกปัจฉิมมาไวแล้วคำว่ า, าเตรียมตัวลาโลกนี้แปลว่าอะไรเราจะทํำยังไงจะให้ได้สัมป ร, รา ย, ยิกถาประโยชน์ประโยชน์ที่มันเลยตาเห็นเนะ่ยต้องเร่งรีบนะโยมนะไม่ใช่มัวแต่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ปนัจจุบันอยู่แต่ประโยชน์ที่เลยตาอะไรยังไม่ได้ทํำเลยนะอันนี้อันนี้ต้องระวังไวนะ้ปรึกษาลมหายใจทุกวันวันละสักห้าสิบครั้ง นะปรึกษาอย่าไปเชื่อว่าหายใจดังๆ ด, ดึงพลังจากฟ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วอายุจะยืนนะอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อสูตรนี่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนะเข้าใจนะฮะอ๋ออ๋อไอทำไมไ ม, ไม่บอก ไม่บอกว่ า, าดึงพระรัตนาตรายเขมรในตัวเลยให้เกี่ยวข้องกับพระรัตนาตรัยหน่อยวิธีพลังหยาบคายฟังแล้วไก่พุทธเจ้าทุกทีเลยเนี่ย <c oughs> อ้าวก็ตรงนี้ก็เรื่องของการละทานโทษของการไม่ให้ตามการละทานก็ชีวิตในปฐมวัยก็แล้งแค้นมากในมัชชิมวัยก็ลําบากเหลือเกินเด่นลนแม้ในปัจฉิมวัยก็โอ้โหลำบากเขาเรียกว่าลําบากสามวัยเลยอะ พอทมะไว้ก็ลำบากไมช่ชิมมะไว้ก็ลำบากไมช่ชิมมะไว้ก็ลำบากงั้นะต้องถ้าเรากลัวลำบากนะตอนนี้ทําการละทานให้ดีเจอใครเดือดร้อนเจออะไรต่างๆเหล่านี้เรีบทําเลยนะทําเลยนะแต่ไม่ใช่รีบทางกายอย่างเดียวความเข้าใจต้องชัดที่เป็นทานกุศลจริงๆด้วย อ, อ้าวอนุขหิตตาทานอนุปหิตตะจิตโตทานันานางเทติ สละอย่างแท้จริงสละขาดนี่สละตัวนี้ก็คือทำลายตัวมัจฉริยะทำลายตัวตัณหาได้ได้ชัดสละของต้องกล้าสละที่ขาดจริงๆนะใช้คำว่าประดุจดังเด็ดดวงใจยื่นให้เด็ดดวงใจยื่นให้เวลาให้ของเนี่ยนะเอสละขาดเนี่ยต้องฝึกต้องกล้าสละต้องเห็นว่าทำไมถึงกล้าสละนี่นะทำไมต้องกล้าสละ เพราะการสละเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยไม่กล้าสละหนึ่งไม่ค่อยเห็นผลที่ยิ่งใหญ่นะไม่ให้เห็นผลที่ยิ่งใหญ่ไม่เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยเป็นต้นเหล่านี้ไม่ฝึกในการที่จะสละสละให้ขาดรู้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ให้ได้ยากภายนอกตัวเราเนี่ย อะไรเป็นสิ่งที่ให้ได้ยากที่สุดสลัดซับเนี่ยยากไหมเอาดูที่ซับเอาแค่ซับก่อนนะซับสมบัติทั้งหลายเหล่านี้จริงๆอะ่ะแล้วก็มาดูนี่ซับที่ไม่มีชีวิตกับซับที่มีชีวิตเา อ, อันไหนายากกว่ากันดูสิเนย์ไม่เราเริ่มงเลยถ้ามีสุนัขเลือกตัวนี้สระนี้กล้าไหมเห็นไหมแค่นี้เราก็ยึดติดแล้วเห็นไหมเนี่ย ถ้ามันแก่และเป็นโรคมีคนมาขอกล้าสละไหมมันเป็นโรคและเป็นโรคติดต่อด้วยฮะเห็นหจริงๆแล้วจิตไม่ค่อยกล้าสละนี่ไงบ่งบอกว่าตัวอะไรเขาเรียกตัวมัจฉิยะมันเหมือนเสือ้อเกลอกมันหุ้มอยู่มันไม่ยอมแกะออกทำยังไงเราจะทำลายเกลอกตอนนี้ออกได้ กิจที่กล้ากล้าที่ฉลาดลองคิดดูว่าถ้านอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้าตายเรายึดอะไรมากแล้วเราจะคิดถึงสิ่งนั้นถ้าใกล้าตายเราคิดถึงแมวและคิดถึงสุนัขโดนนั้นปฏิสนธิของเราเวลาไปเกิดคิดว่าจะไปเกิดเป็นอะไรมากก็เป็นหมัดเป็น เป็นหมัดเป็นเห็บนะหรือก็ทีก็เป็นพยาธิในท้องสุนัข ต, ตัวนั้นเละเชื่อไหมมนุษย์เป็นเป็นอาไบสัตย์ได้เป็นสัตว์เล็กๆได้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพูทธมีพระเจ้ า, าประทับอยู่ที่เชตวันภาพ ร, รูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านท่านได้จีวรใหม่มาแล้วท่านฝากไว้กับยมพี่สาวนี่ต่อมาท่านเป็นลมที่มันตีขึ้นมาลมมันตีแ น, น่นๆแล้วท่าน พอใกล้จะตายใจท่านหวนและลึกถึง้จีวรเนี่ยพอตายไปเสร็จท่านไปเป็นเลนเป็นเลนตัวเล็กๆวิ่งในจีวรวิ่งปิดๆๆต่อมาพอพระตายแล้วเขาจะแบ่งจีวรกันเนี่ยพระเจ้าก็เห็นด้วยสัพพัญญุจิยานพระเจ้าก็พอเขาบอกว่าจะแบ่งอ่ยไอ้เลนตัวนี้มันได้ยินมันโกรธมากมันหวงมันมันก็วิ่งตัวแดงตัวใหญ่ๆโยม เ, เลนตัวใหญ่ๆ วิ่งไปเขาวิ่งมาวิ่งในจีวร อ, อย่างนั้นเน่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, งมันหวงมันพระเจ้าก็บอกว่ารอรอก่อนพอครบเจ็ดวันในเรนตัวนี้มันสงบนุนใกล้ตายนะ่ยมันได้สุขติเพราะเขาปฏิบัติมานานไงบุญให้ผลก็ได้สุขติถามว่าถ้าไม่มีพระเจา้าจะรู้ไหมว่ามนุษย์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆนี่ได้นี่ไงสรรพยุตยานอย่ายึดติดเลยสละเถอะฝึกสละเสียโยม เราจะได้ไม่เป็นในเรื่องจริงในเรื่องในปัจจุบันก็มีนะที่อุบลราชธา น, นีก็มีคนตายแล้วระลึกแล้วมาเล่าเนี่ยตายไปเป็นเปลดอกนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้โทษเราก็เป็นได้แค่มาเฝ้าแค่นั้นเองให้สังเกตดูนะว่าการให้ทานที่แบบไม่กล้าสลาขาดนะไม่กล้าสลาขาดนี่นะโทษนะโทษของการไม่สลาขาดเนี่ยนะ ก็คือเมื่อได้ทรัพย์มีนะมีทรัพย์ก็ไม่กล้าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นก็กังวลเป็นได้แค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์สังเกตดูดิคนบางคนเนี่ยได้ทรัพย์มาไม่กล้าสลัไม่กล้ากินไม่กล้าใช้แค่มานั่งเฝ้ามานั่งกอดมานั่งยึดได้สามีก็ยึดสามีได้ลูกก็ยึดลูกได้ทรัพย์ก็ยึดทรัพย์ได้แล้วก็ยึดอยู่อย่างนั้นแล้วลำบากมาก แสนจะทรมานมากไม่กล้าจะจากไม่กล้าจะไปไหนวิ่ตกกังวลได้สมบัติมานี่ยก็ยึดอยู่นั่นแหละโอ้โหวันวั น, วนหนึ่งเดินดูแต่ละทีก็ยืดติดไปไหนก็ไปไม่ได้เป็นห่วงนอนก็ไม่ค่อยหลับขนาดว่าเดินไม่ได้ขอหามมาดูหน่อยหา ม, มาดูนะมีอยู่รายห น, นึ่งนรวยมากตอนนี้ลูกหลานก็ไม่มีพากันตายหมดหนะเข้านะเข้ามีทรัพย์หลายหลายเป็นพันล้านเนี่ย ตอนนี้อยู่สองตายายโอ้โดีนะเกษียณ อ, อายุก็มากแล้วหยุดทํากิจการแล้วจะบ้านหลังหนึ่งราคาเป็นร้อยล้านนะเว่จะทํำยังไงเนี่ยคนใช้ก็แทบจะไม่มีอยู่ด้วยแกเป็นคนจุกจิกนะหาคนใช้มาก็หนีหาคนใช้มาก็นห น, นี้ตอนนี้แกเลยอาศัยวิ่งรอบบ้านสองสามีภรรยาพากันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งถามวิ่งทำไมโยมก็บอกค่อยชั่ววิ่งดูบ้านจ้างเขาเอาจ้างคนข้างนอกมามามาทำความสะอาดอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง ถาใส่วิ่งรอบบ้านเช้าเย็นเช้าเย็นยังพอวิ่งไหวเลยเนะี่ยนี่ไงเราก็เห็นอยู่นี่ไงนี่เห็นชัดเลยเนี่ยใหโดยไม่สละขาดพอมีทรัพย์แล้วก็แม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้าเจริญกุศลไม่กล้าทําความดีไม่กล้าแจกจ่ายได้แค่เป็นคนเฝ้าเอาไหมลูกแต่ถ้าเราสลาขาดถ้าสลาขาดเนี่ยเราจะมีทรัพย์ก็กล้ากินกล้าใช้ นะกล้าสละกล้าทำบุญกล้าทำความดีก็คือเห็นทรัพย์เนี่ยเหมือนพระเจ้าโศกอะเห็นทรัพย์ก็ดีอํานาจก็ดียศก็ทังดีก็ดิเป็นต้นก็ดีเนี่ยสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้กับเป็นของที่จะเอื้ออํานวยประโยชน์ในการที่จะเจริญกุศลทําความดีอภรรการที่ห้าอนุประหจรทานก็คือการให้ทานโดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นกระทบก็คือไอการไปเคยไหมเคยให้ทานแล้กระทบตนผู้อื่นไหม เรามันคนมีศีลไอคนนั้นใช้ไม่ได้ไม่รักษาศีลเหมือนเราไอคนนั้นหรวยแทบตายแต่ไม่ให้ทานสู้เราก็ไม่ได้เราจนเรายังให้เลยเคยเป็นไหมโอ้ดีน่าสงสารนะคนคนนั้นไม่ได้ให้ทานกับเขาเลยเออดีเรายังให้ทานนะเคยเป็นไหมละ่ะเออดีนะคนอื่นเขารวยเขาให้ต้องให้นิดๆหน่อยๆเราถึงแม้จนเรายังให้มากเอ้ยเคยคิดแบบนี้เวลา นี่แค ก, กระทบตนกระทบผู้อื่นให้ทานแบบกระทบตนและกระทบผู้อื่นรักษาศีลกระทบตนและผู้อื่นแบบนี้นะเป็นไงรู้ไหมเออโทษของการให้ให้ทานโดยกระทบตนและบุคคลอื่นให้ทานอยากได้ชื่อเสียงสลาวัตถุหรือจํานวนมากต่างหลายก็แล้วแต่นี่นะพอได้ของมาแล้วของมันพินาศของมันจะพินาศ มีบ้านเดี๋ยวน้ําก็ท่วมเดี๋ยวไฟก็ไหม้เดี๋ย ว, ว, ยวยโจรก็ลกักก็โดนริบโดดโกงโดนอะไรสารพัดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นมันปลอดภัยปลอดอภัยเพราะโจรภัยอาคีภัยราชาภัยอุทกภัยทั้งหลายเหล่านี้นี่คือเป็นผลของการให้ทานสรุปแล้วก็คือนี่เขาเรียกว่าการให้ทานหาประการทั้งหมดเหล่านี้เป็นหลักยึดโยงในการที่เราเกี่ยวข้องในชีวิตจริงเนาะ ที่เราไปปฏิบัติต่อพ่อแม่ปู่ยา่าตายายญาติมิตรทั้งหลายเหล่านี้หลักการตรงนี้ก็คืออยู่ในชั้นของทอิศีลาสิกขาที่แหละตรงนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจให้ชัดว่าเออเนี่ยในไตรสิกขาเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีการกล่าวเรื่องทานเข้าไว้ โดยเฉพาะเจาะตรงแต่เป็นสิ่งที่กระหาถูกปลูกฝังให้ศึกษาเรียนรู้ในบทอธิศีนอยู่ในตัวเพราะในบทนี้ถูกแยกออกเป็นศีลชั้นพื้นฐานเขาเรียกว่าวารีตศีลคือศีห้าสีเพื่อจะส่งเสริมดีงามชีวิตและสังคมก็กลายเป็นจารีศีนไปเห็นไหมว่าในส่วนของทานกุศลสีลกุศลเนี่ยในส่วนของทานกุศลสีนกุศลจริงๆอยู่เป็นอันเดียวกันในหลายถ้าพูดถึงสีนสมาธิบัญญา ก็อยู่ในหมวดของจารีศีนที่เราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรทีนี้การที่เราจะยึดโยงสังคมเบ็ดเสร็จก็เกี่ยวกับในข้อของสังข า, าวัตถุดังที่กล่าวเมื่อวานนี้ก็พูดในเรื่องของหลักของสังข า, าวัตถุ4ไอ้ตัวหลักสังาหาวัตถุสีนั่นแหละเป็นตัวยึดโยงในการที่ปฏิบัติก็มีบอกว่าบุคคลในสิ่งแวดล้อมที่เราปฏิบัติต่อทิศ ท, ทั้ง6 ปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครัวอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อบุตรภรรยาสามีญาติมิตรปฏิบัติต่อผู้ใต้บงังคับบัญชาลูกน้องหรือปฏิบัติต่อพระเจ้าประสงค์ในที่สุดทุกคนก็เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกันใช่ไม่ใช่พระก็เป็นสมาชิกในสังคมนี้ไหมใช่ไหมพ่อแม่ครัอาจารย์บุตรภรรยาญาติมิตรเพื่อนหรือว่าลูกน้อง สรุปแล้วก็นี่คือสมาชิกในสังคมทั่วทั้งสังคมที่พระเจ้าจึงตรัสสังหาวัตถุไว้สําหรับให้ใช้ทุกคนทุกสังคมพระเจ้าตรัสสังหาวัตถุไว้คุมท้ายเขาไว้ก็เ ร, เราอยู่ในสังคมก็ต้องใช้วัตถุใช้สังหาวัตถุสังหาวัตถุนี้เป็นธรรมเป็นภาคปฏิบัติจะเห็นว่าในธรรมหมวดนี้ไม่พูดถึงเมตตากรุณานะเพราะ เป็นคุณธรรมในใจในที่นี้แต่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยเป็นการแสดงภายนอกออกมาสังคหาวัตถุก็แปลว่าหลักการสงเคสหลักการยึดเหนี่ยวใจคนการประสานหมู่ชนไว้ให้สามัคคีกันถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเขาจะต้องมีคำถามเกี่ยวกับอีกร่างรัฐธรรมนูญออกมากันเนี่ย ไอ้ฉบับปองดองแห่งชาติเลยว่ากันไปใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่ไชอ้ปองดองอย่างนั้นใช่ไม่ได้หรอกไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องในคําสอนพระเจ้าใช่ไหมล่ะอย่างนั้นก็เรียกหลักการปองดองแบบคนดีแต่ไม่ใช่ตามรอยพระศ า, าสดาแต่สังขาวัตถุนี้เป็นหลักการปองดอง เพื่อเป็นคนดีตามรอยพระศ า, าสดาใช่มเออถ้าปองดองอย่างนั้นเขาเรียกปองดองไม่จริงแต่ถ้าปองดองแบบตามหลักสังหาวัตถุเ็าแปลว่าหลักการส่งค้อการยึดเหนี่ยวใจคนแล้วก็การประสานหมู่ชนให้สามัคคีให้ปองดองทำให้ตนเองให้เป็นที่รักทาตนเองให้เป็นที่รักทุกคนนี่ยทำตนเองให้เป็นที่รั ก, ก, นนรกและชุมชนก็รวมกันอยู่ได้ ไม่แตกแยกไม่กระจัดกระจายทำให้สังคมเป็นเอกภาพและก็มีความมั่นคงไอ้คำว่าสังคมะหรือสังคมเนี่ยไอ้ ก, กรณีที่ไปไปอยู่เนี่ยสังคมที่จะไปร่วมกันได้ไปอยู่คือไปไม่พังเนี่ยก็แปลว่ามันมีริ่มริ่มสลักไว้ไม่ให้สังคมแตกแต่ไม่ใช่เป็นตัวริ่มกระแะให้มันแตกเหมือนล้อรถที่ไปอยู่ล้อรถที่ไปไม่พัง รอรถเนี่ยวิ่งไปได้เบรศมันจะมีตัวน็อตขันขันเขาไว้ใช่ไหมไอตัวริมตัวเนาะตัวนอ็ตวนอตอีกขันเขาไว้สภาพสังคมเนี่ยที่ไปร่วมกันได้เนี่ยพระสงฆ์ซึ่งเป็นทิศเบื้องบนพ่อแม่ซึ่งเป็นทิศเบื้องหน้าครัวจารย์ซึ่งเป็นทิศเบื้องขวามิตรสหายพวกพ้องซึ่งเป็นทิศเบื้องซ้าย ผู้ใตบ้บังคับบัญชาหรืลูกน้องซึ่งไปทิศเบื้องล่างบุตรภรรยาสามีญาติมิตรซึ่งไปทิศเบื้องหลังเนี่ยสังคมเหล่านี้ที่จะไม่แยกจะไม่แตกจะไม่กระจัดกระจายที่จะปองดองจะสามัคคีกันเนี่ยมันก็ต้องต้องมีริ่มไอ้ริมในที่นี้อริมสลักในที่นี้ก็คือตัวน็อตตัวอะไรเป็นตัวขันไว้ก็คือยังไงสังขาวัตถุเนี่ยก็คือทานก็คือการให้ปั่นพูดมาสักคู่ ก็คือการให้ปันการแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเผื่อเผล่การเจรจารการแจกจ่ายการช่วยเหลือสิ่งของทรัพย์สินเงินทองตล อ, ตลอดถึงให้วิชาความรู้ช่วยด้วยทุนสิ่งของหรือให้ความรู้ต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นตัวยึดโยงแต่ให้ยังไงอ่ะถึงจะเรียกว่าทานให้ที่ไม่เป็นทานก็ได้เอาเนี่ยนะให้ซื้อเสียงเพื่อจะได้คะแนนเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าทานกุศล ไม่เรียกว่าทานกุศลนะเนอะพ่อไม่ได้ให้ด้วยเมตตาไม่ได้ให้ด้วยน้ําใจเมตตรีไม่ได้สร้างมิตรภาพไม่ได้ให้ด้วยน้ําใจอันงามไม่เป็นไปกับเมตตาเป็นไปทางกายหยิบยื่นให้กันเนี่ยให้แล้วมันมีความโลภอยู่ไม่ได้ยึดยองเลยตัวนี้ไม่ได้ยึดเหนียวน้ําใจกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมล่ะ เอออยู่ในโรงเรียนเราต้องการบอกเออเนี่ยเดี๋ยวต้องทำมีการจะเลือกตั้งกันสมมุติเนี่ยนะเด็กๆมีการจะเลือกตั้งอยากจะเป็นหัวหน้าหรือครูต้องการอยากจะเลือกตั้งว่าต้องการจะเป็นผู้นําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการวิ่งเต้นหน่อยกินเลี้ยงเดี๋ยวเราเลี้ยงเดี๋ยวเราเลี้ยงเดี๋ยวจัดสังสรรค์ให้เดี๋อะไรเงี้ยไอ้นี่ไม่ใช่เพราะไม่ได้ให้ด้วยเมตตากิจกรรมที่ให้ด้วยเมตตามันให้ต่อเนื่องใช่ไหมเราทางกายให้ด้วยกรุณา ก็คือปลดเปลื้องความทุกข์เมื่อเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาด้วยความจริงใจไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆให้เพราะว่าเห็นเขาทุกข์ให้โดยมุทิตาก็คือส่งเสริมความดีงามให้เจริญก้าวหน้าอย่างนี้อันนี้คือทางกายแต่ทางวาจีกามก็พูดจารักค่ายสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นต้นแล้วก็ด้วยความหวังดีมีน้ําใจก็คือมีเมตตากระทัตทายปราศัยน้ําใจดีงามก็สุภาพเรียบร้อย ผู้ได้กรุณาก็เห็นใจปลอบใจก็ให้คําแนะนําเมื่อเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่เข้าใจผู้ได้มุทิตาให้กําลังใจส่งเสริมสนับสนุนก็ว่ากันไปส่วนทวันอัตตาจริยาตรงนี้ก็ประพฤติประโยชน์จะเสียสละเลี้ยวแรงกายแหละช่วยเหลือผู้อื่นวาเพ็นประโยชน์ช่วยด้วยกําลังงานแบ่งเบาภาระด้วยมือแสดงน้ําใจมาตรีด้วยเมตตาก็ได้นําพาคนที่อ่อนแอเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยให้พ้นภัย มุติตาก็คือส่งเสริมกิจกรรมทำความดีทั้งหลายอันนี้เป็นประโยชน์ส่วนนัตมานัตตาเนี่ยอันนี้ชักการอาตนก็ไปเสมอสมานเนี่ยร่วมมู่ร่วมคณะร่วมจดหมายร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสุขร่วมทุกข์ไปอันนี้ใช้ได้ทั้งเสมอต้นเสมอปลายนี่นะในยามนี้เขาปกติเราเมตตาเขายามเขาปกตินี่ถ้าเขาประสบทุกข์กรุณาเขา เอาตนเองเข้าไปสมานไหมเข้าไปช่วยเข้าไปดูแลเขาเป็นทุกข์ก็เอาไปช่วยไปดูแลยามเขาได้ดีบได้ดีงหลก็ส่งเสริมก็แสดงด้วยน้ำใจเน ย, ยามเขาตกอับหรือว่าเบ็ดเสร็จหรือว่าไม่สามารถจะช่วยองค์กรต่างๆเหล่ า, า, าลนั้นได้ก็ฉลาดคิดวางใจว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเองนี่หลักประสานไหมก็ประสานทําให้สังคมนั้นเป็นไปกันด้วยดี ทุกคนเกี่ยวไร่าเีกี่โมงเลอ้าวประนมมือแล้วตอนบ่ายก็ไม่มีกิจกรรมตรงนี้มีกิจกรรมแยกกลุ่มเลยนะแยกกลุ่มทันทีเลยยาวเลยยาวไปจนถึ ง, ไป ถ, ง, มมงไปถึงสามโมงไปถึงสามโมงไปถึงสามโมงเลยเพราะสามโมงก็จะมีกิจกรรมต่ออีกใช่ไหมเอองั้นก็ อาจจะออกกำลังกายกันนิดหน่อยแล้วก็แยกกลุ่มเลยปัญหาทั้งหมดวันนี้หรือปัญหาที่นั่นมาทั้งหมดก็เอาไปเคลียร์กันในกลุ่มย่อยถามรายละเอียดในกลุ่มย่อยซักครูบาอาจารย์เขาให้ถึงที่สุดเลยดีไหมเออไม่เข้าใจตรงไหนถามถามเจาะประเด็นเข้าไปเลยบอกท่านอาจารย์อุ้ยไขยวิธีให้ดูหน่อยเพราะยิ่งใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยต้องการเอาไปขับเน้นในการประพฤติปฏิบัติจริง ครูบาอาจารย์ก็ได้ตื่นเต้นได้ชื่นใจอย่างที่พวกเราไม่ถามเลยเนี่ยท่านก็มานั่งเนี่ยมันเข้าไปบ่นกันมาเหมือนกันว่าไม่ค่อยถามกันเลยนั่งค่อยๆมึนๆกันยังไงดูเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่นี้ก็กระตือรือร้นถามเลยดีไหมถามเลยเอ้ยทายังไงเนี่ย ย, ยังทําไม่เป็นขับเน้นกุศลไม่ได้เอาช่วยเจาะประเด็นให้ดูหน่อยที่เอาอยู่ในรายละเอียดแล้วเป็นการส่วนตัวแล้วถามท่านเลยนะเอางั้นเลยนะ กระตรือรือร้นต้องการฝึกตนเองต้องการเป็นคนดีตามร้อยวาศาสดาในหัวข้อศิษขาสามจริงๆิงตอนนี้ได้แค่ศีลศีลก็ยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นถึงวารีศีนเลยนะแต่ว่าถ้าจะขึ้นไปก็เดี๋ยวกลุ่มย่อยจะนั่นขึ้นไปก่อนก็ได้าะมาอยู่ในจุดรวมๆก็อาจจะตามไม่ค่อยทัน